ตอนนี้เราเข้าสู่รายการตอบปัญหาพาความจริงให้คนใต้พาความจริงคนใต้โอ้รายการนี้ตั้งขึ้นมาให้อัตมามาก ะ, ะทากิจนี้คือกระทากิจพาความจริงคนใต้อัตมาจะมีปัญญาไหมเนาะเนี่ย เอจะมีปัญญาผ่าความจริงของคนใต้ไหมอาตมาจะรู้ความจริงของคนใต้ในได้แค่ไหนเนี่ยไม่รู้ว่าคนใต้เนี่ยอยึดความจริงหรือเห็นความจริงอย่างไรอก็ขึ้นต้นเอาที่ของพระพุทธเจ้าส่งสอนเอาไว้ก่อนว่าความจริงที่เรียกว่าสัจจะเนี่พระพุทธเจ้าท่านแบ่งไว้ชัด มีอยู่สองเรียกว่าสัจจะอย่างสมมุติก็สัจจะอย่างประมัดสัจจะอย่างสมมุติหรือสมมุติทสัจจะก็คือสัจจะที่คนทั่วไปปุถุชนโลกีใครต่อใครทั้งนั้นเกิดมาจะเจออยู่กับสัจจะอันนี้แหละจะเป็นอยู่กับสัจจะอันนี้แหละก็มีดีมีชั่วในสัจจะอันนี้สมมุติทสัจจะนี่มีดีมีชั่ว และคนก็ภาคเพียรสำหรับผู้ที่ใส่ใจใฝ่ใจที่จะเป็นคนดีก็ใส่ใจศึกษาว่าดีคืออะไรแล้วก็ภาคเพียรปฏิบัติประพฤติอบรมตนให้ตนเองดีก็ทำได้จนกระทั่งเป็นศาสนาเป็นศาสนาเป็นรัฐธิอยู่ในโลกก็เป็นสมมุติสัจจ์กันทั้งสิ้นส่วนสัจจ์อีกอันนึงเรียกว่าปรมัตาสัจจ์ ปรมาจาสัจจะนี้มีเฉพาะในศาสนาพุทธเป็นสัจจะที่มีเฉพาะในศาสนาพุทธย้ำอีกกี่ทีก็ไม่ผิดไม่ได้พูดผิดปรมาจารย์สัจจะนี้มีเฉพาะในศาสนาพุทธเทตามาย้ำหรือยืนยันอย่างนี้ก็เพราะว่าคําว่าศาสนาพุทธที่รู้ถึงสัจจะขั้น ที่ใช้ภาษาว่าปรมาถะเนี่ยปรมาถะท่านแปลว่าประโยชน์ก็ได้ความจริงก็ได้และความจริงนั้นขั้นอะไรขั้นบรมขั้นปรมาปรมาอัฏฐะอัฏฐะก็คือเนื้อหาความจริงเนื้อหาสาระประโยชน์หรือสัจจอน ความจริงที่เป็นความจริงจริงจริงเป็นความจริงความจริงระดับลึกระดับที่ไม่ใช่รู้สามัญบรมยิ่งใหญ่ปรมัานิบรมที่ท่านตรัสของท่านท่านยืนยันอย่างนี้เนี่ยคนทั่วไปส่วนใหญ่ที่เขาไม่ได้ศรัทธาเลื่อมใสศาสนาพุทธ ใจไม่เป็นกลางใจไม่ศึกษาตรวจสอบความจริงกันจริงๆก็ จ, จะมองได้ทันทีว่ า, าศาสนาพุทธเนี่ยยกตนข่มท่านยกตนขม่มขมาศาสนาอื่นๆถือว่ า, าศาสนาอื่นๆเข้าไม่ถึงตรงนี้ไม่ถึงตรงจเรียกว่าปรามาตัยเนี่ยปรามาตถธรรมจะเรียกปรามาถ ธ, ธรรมก็ได้เรียกปรามาตสัจจะก็ได้ พระปรมาจารย์หมายถึงอะไรพระมัสสัจัะหมายถึงอะไรคำว่าธรรมะหมายถึงว่าสิ่งที่ทรงอยู่สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่แล้วสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่นั้นสามารถศึกษาสามารถเข้าถึงได้ถึงขั้นธรรมะระดับนามธรรมถึงขั้นอรูปธรรมนามธรรมขั้นอรูปธรรมนามธรรมนี่มีขั้นรูปธรรมด้วย มีขั้นอรูปธรรมที่ละเอียดไปถึงขั้นอรูปด้วยาอารูปก็คือการมันไม่มีรูปให้เราสังเกตได้อ่านได้จับติดได้จับเกาะได้แต่มีธาตุรู้ที่เรียกว่าญาณปัญญาเนี่ยสามารถเข้าไปสัมผัสรู้ความจริงอันนี้ได้รู้สัจจะอันนี้ได้รู้สิ่งที่ ท, ทรงอยู่เรียกวิธรรมะอันนี้ได้เป็นนามธรรม เป็นเรื่องของทางจิตนามธรรมาคือทางจิตเจตสิกรูปก็คือสิ่งที่ถูกรู้อยิ่งสัมผัสห ย, ยาบหยาบยิ่งเป็นรูปธรรมข้างนอกดินน้ำไฟลมในสัมผัสได้ห ย, ยาบหยาบทั่วไปทางด้านนามธรรมาคือจิตใจสัมผัสอยู่คนเราก็สัมผัสด้วยธรรมชาติสัญชาตญาณแต่ไม่รู้ ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงอันละเอียดที่เป็นนามธรรมหรือจิตเจตสิกรูปนิพพานรูปคํานี้คำสี่คานี้จิตก็ดีเจตสิกก็ ด, กดีรูปก็ดีนิพพานก็ดีสี่คำที่ท่านบัญญัติไว้ว่าเป็นนิยามของขั้นปรมัตถธรรมหรือขั้นอภิธรรมธรรมะอย่างอย่างพิเศษอภิธรรมธรรมะอย่างพิเศษเนี่ยนมีความพิเศษจริงๆ คำว่าจิตเจตสิกก็พอเข้าใจว่าเป็นนามะทรบหมายถึงจิตใจคำว่ารูปนี้คนเข้าใจสับสนสลับมาเป็นรูปของมหาภุธรูปมาเข้าใจว่าเป็นดินน้ำไฟลมมาเป็นของข้างนอกที่เป็นเรื่องของสสารหรือเรื่องของวัตถุธรรมแม้วัตถุธรรมหลายอย่างที่เป็นสิ่งที่เห็นไม่ได้ในตาเปล่าเป็นอารูปมนกันเป็นเป็นลักษณะที่ละเอียด แม่ที่สุดเป็นขั้นพลังงานละเอียดข้างนอกเนี่ยซึ่งขั้นพลังงานนั่มีทั้งสภาพที่เป็นสสารเป็นสภาพที่เป็นอุตุนิยามพลังงานที่เป็นอุตุนิยามคือพลังงานในในระดับที่ยังไม่มีชีวะไม่มีชีวะไม่เป็นความเป็นชีวะก็มีพลังงานในระดับเป็นชีวะก็มีเช่นพลังงานที่ สร้างสรรตัวเองในระดับของผีชันิยามกับพลังงานในระดับที่มันสร้างสรร์ตัวเองในระดับจิตนิยามาจิตนิยามก็คือสัตว์เป็นเป็นธาตุระดับนามธาตุระดับจิตเจตเสิกวิญญาณก็เรียกมโนก็เรียกนี้เป็นต้ น, นของสัตว์สัตว์ชั้นต่ำก็เริ่มนับปรมีละ ส่วนพลังงานระดับชีวะที่เป็นผีชนิยามนั่นก็คือพืชพีชะก็คือพืชนนแหละระดับพืชซึ่งต่างกันอัตมาก็พยายามวิเคราะห์วิจัยให้ฟังว่าชีวะในระดับพืชผีชนิยามนั้นเป็นพลังงานที่เป็นชีวะแล้วาทางวิทยาศาสตร์ก็ศึกษาชีวะระดับนี้มันยังไม่มีเวทนายังไม่ถือว่ามีวิญ ญ, ญาณรูพจักก็แจกมีพยัญชนะ ภ า, าษาวิชาการรับรองไว้เรียกว่าอนุปาทินกะสังขารคือสิ่งปรุงแต่งกันอยู่ในรูปนามต่างๆเป็นสิ่งปรุงแต่งขั้นมีนามมีรูปนามปรุงแต่งกันอยู่และสิ่งที่ปรุงแต่งนี้ยังไม่มีเวทนาคือยังไม่มีอารมณ์ยังไม่มีความรู้สึกนะไม่มีความรู้สึกจึงไม่เรียกว่าเป็นวิญญาณนะในขั้นห้าเนี่ย รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในนามธรรมสี่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพิชนิยามมันมีแค่สัญญากับสังขารในตัวมันเองม um ันก็มีประสิทธ <plain. S 1> ิภาพของมันเท่านั้นของสัญญาและสังขารเท่าที่มันมีประสิทธิภาพแต่ลักษณะเดียวกันกับสัญญาและสังขารของสัตว์เหมือนกันหรือมนุษย์มีเหมือนกันแต่ประสิทธิภาพของมนุษย์สูงกว่าของสัตว์ก็มี ก็สูงกว่าพืชบ้างยอย่างนี้เป็นต้นปิจนิยามไม่มีอารมณ์ไม่มีเวทนาและไม่มีวิญญาณพลังงานของชีวะในระดับพืชไม่มีความไม่มีสมรรถนะไม่มีคุณภาพไม่มีประสิทธิภาพสูงในระดับขั้นวิญญาณหรือขั้นเวทนาเพราะฉะนั้นพืชจึงไม่มีอารมณ์โกรธอารมณ์รักไม่มีความสึกสุก ไม่มีความรู้สึกทุกเวทนาเนี่ยไม่มีจึงไม่มีจองเวรจองกรรมจึงไม่มีบาปไม่มีบุญะจะว่ากิเลสก็ไม่มีกิเลสมันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึง่งไม่มีกิเลสมันก็ทำตัวของมันเป็นชีวะไประดับของมันเท่านั้นสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์ชั้นต่ามันก็คล้ายๆกับพืชแต่มันจะพัฒนาชั้นต่ำจะพัฒนาเป็นเซลเป็นอะไรตระทวีสาทาง ชีววิทยาของวิทยาศาสตร์เขาก็ศึกษามันก็จะพัฒนาขึ้นมาเป็นเซลล์ที่จับตัวกันมากน้ําเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนกระทั่งมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพราะงั้นพลังงานในระับชีวะขั้นจิตนิยามจึงมีประสิทธิภาพมีสมรรถนะสูงขึ้นสูงขึ้นอีกอจนกระทั่งถึงขั้นมนุษย์ถึงขั้นมนุษย์นี่โอ้สูงมาก แล้วมนุษย์ก็พัฒนาขึ้นไปอีกพลังงานในมนุษย์จนสามารถเรียนรู้เรียนรู้คุณงามความดีของความเป็นมนุษย์หรือคุณงามความดีนั่นแหละพฤติกรรมมนุษย์น่ะเป็นหลักศาสตราจารย์จะไปเอาภาระอาส า, าระกับมันนักก็ไม่ได้แต่เราก็รู้ว่ามันร้หรือมันมันมันไม่ไร้ายหรือมันดีหรือมันไม่ดีก็รู้ได้เหมือนกันก็เอาจากของคนนี่แหละของสัตว์มนุษย์นี่แหละไปเทียบะ ทีนี้คนนี่ก็ยังแบ่งออกเป็นเวเนยสัตว์กับอเวเนยสัตว์อเวเนยสัตว์คือคนเดชฉันอเวเนยสัตว์แน่เพราะสอนธรรมะขั้นสูงนี้ไม่ได้เวเนยสัตว์กับอเวเนยสัตว์ก็คือสัตว์ที่สอนไม่ได้เลยว่าอเวเนยสัตว์สัตว์ที่สอนไม่ได้อเวเนยสัตว์นั้นหลายคนก็ตีความว่าสัตว์ที่สอนให้เจริญไม่ได้เท่านั้น อเจริญในที่นี้ก็เป็นโลกีแต่ในทางพุทธแท้ๆนั้นอักเวนยสัตว์หมายถึงว่าสัตว์ที่สอนให้สามารถรู้หรือพัฒนาตนเองเข้าสู่การบรรลุธรรมขั้นปรมาติไม่ได้เรียกว่าอเวนยสัตว์ของพุทธถ้าเวนยสัตว์ก็สอนได้บรรลุธรรมได้ของพุทธเป็นอริยะได้เรียกว่าเวนยสัตว์ ถ้าอาวุนเยสัตว์ก็สอนยังไงก็ไม่บรรลุได้ไม่สามารถบรรลุนั่นถือว่าเป็นอาวุนเนยสัตว์นะส่วนคนที่ยังไม่เข้าใจหลักนี้ก็จะเรียกเวนยสัตว์คือสัตว์ที่สอนให้มันเจริญขึ้นหรือมนุษย์ก็ตามมนุษย์ที่สอนได้สอนพัฒนาได้เรียกว่าเวนยสัตว์สัตว์ที่สอนให้มันดีขึ้นมาธรรมดาเท่านั้นนั่นเป็นโลกีดีแบบโลกีอ่้มันสอนไม่ได้ก็เรียกว่าอาวุนเยสัตว์ ก็ความหมายนี้มาใช้ก็ได้แต่ไม่ใช่ความหมายที่ชัดเจนอ่าไมเป็นความหมายที่ชัดเจนระหว่างศาสนาพุทธกับทั่วไปเพราะทั่วไปก็คือสมมุติสัจจะหรือสมมุติธรรมอ่าที่มนุษย์ทั้งหลายพุทธญาท่านจะชัดเจนว่ามนุษย์ทั้งหลายเรียกว่าปุถุชนนี้เป็นคนดีได้เป็นกัลยาณชนได้คนดีดีมากจนกระทั่งถึงขั้นเป็นศาสตรา ไม่ทำชั่วเลยทำแต่ดีอยท้าวอนมั่นคงด้วยนะเป็นประโยชน์คุณค่าต่อสังคมด้วยได้ได้ไม่ได้ปฏิเสธเลยแต่ประเด็นหรือว่าเงื่อนไขหลักที่ไม่เรียกว่าปรมาติไม่เข้าถึงปรมัต์ตจารย์ไม่เกิดปรมาติธรรมนั้นตรงไหนจุดสาคัญตรงไหนอันนี้ต้องพยายามรู้ให้สาคัญแล้วจะ ไม่ผิดพลาดจุดสำคัญที่เป็นปรมาตาธรรมหรือเป็นปรมาตารสัจจะที่มีในศาสนาพุทธศาสนาเดียวนั้นคือเป็นศาสนาที่เข้าถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานเป็นศาสนาที่เขาอ่านไปเข้าไปสามารถมียานเข้าไปอย่างรู้นามธรรมขั้นจิตเจตสิกแล้วก็แจกเจตสิกออกจิตจะมีอาการของ จิตเรียกว่าเจตสิกอาการของจิตอย่างอาการรักอาการชังนี่เป็นเจตสิกถ้าเรียกจิตเป็นคํานามก็เป็นคนาําเป็นคำํนคำคํานามที่เป็นคํานามทั่วไปออะเป็นสามัญนามเข้ามาจิตแต่ถ้าเจตสิกแล้วมันจะเป็นวิสามัญนามขึ้นไปอีก เฉพาะแยกแบ่งย่อยลงมาชี้เฉพาะลงมาชี้เฉพาะลงมาถึงอาการเขามันต่างๆเช่นเวทนาก็เป็นเจตสิกสัญญาก็เป็นเจตสิกสังขารก็เป็นเจตสิกอะไรนี้เป็นต้นส่วนคำว่าวิญญาณหรือจิตหรือโมโนนี่เป็นจิตเป็นส า, ามัญนามส่วนคําว่าเวทนาสัญญาสังขารเป็นต้นแล้วมีละเอียดไปมากกว่า น, นั้นอีก จะแจกเวทนาไปอีกร้อยแปดก็มีภาษาเรียกก็เป็นเจตสิกอย่างนี้เป็นต้ น, นหรือผู้รู้ท้าปไปแบ่งเรียกแยกกอาไว้อีกมีเจตสิกเข้าไปอีกตั้งเท่าไหร่ตั้งแปดสิบก็ตัวหรืออัตมาจำไม่แม่นแล้วเท่าไหร่มีรูปมีนามมีเจตสิกมีกจิตึกอีกที่ยี่สิบแปดเออแปดเท่าไหร่ แต่สิก็ดวงหรืออะไรเรียกดวงเรียกอะไรเนี่ยนะมีรูปอีกยี่สิบแปดรูปอะไรเงี้ยอย่างนั้นนะก็เป็นเรื่องของพู้ธที่พยายามที่จะเอาภาษามาเรียกสภาวะทางจิตเจสิกซึ่งเป็นนามธรรมา ท, ที่ละเอียดมากของพุทธแล้วเรียกต่างๆพวกนี้ไม่ใช่ภาษาเรียกธรรมดาภาษาเหล่านี้ตั้งขึ้นเรียกของจริง เป็นจิตเจตสิกจริงๆเป็นนามธรรมจริงๆสัมผัสผู้ที่มียานปัญญาเข้าไปสัมผัสอันนี้เป็นของจริงแล้วก็รู้ความจริงตามความเป็นจริงแล้วว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้อาการอย่างนี้เป็นอาการสุขอาการนี้เป็นอาการทุกข์เป็นต้นมีญานอย่างรู้เลยอาการอย่างนี้เกิดที่ใจเราเมื่อไร่เมื่อไร่ก็รู้ว่าอย่างนี้เป็นอาการสุขอย่างนี้เป็นอาการทุกข์และทุกข์เพราะเหตุนั้นเพราะเหตุนี้ก็มีแยกไปอีก แยกไปอีกละเบียดอีกอย่างนี้เป็นต้นหรืออาการอย่างนี้เป็นกิเลสโกรธอาการอย่างนี้เป็นกิเลสโลภก็ชัดเจนมียานอย่างรู้สิงสิ่งนี้ชัดเจนเพราะสามารถรู้อกุโสลจิตอย่างโลภก็ดีโกรธก็ดีซึ่งเป็นตระกูลกิเลสใหญ่ๆโลภโกรธลงก็อ่านตัวพวกนี้ออกจริงๆแล้วก็สามารถมีวิธีมีวิธีกําจัด สิ่งเหล่านี้ให้ดับได้ดับได้จากจิตเราไม่เกิดอีกถาวรไปเลยซึ่งภาษาบาลีภาษาวิชาการท่านก็บอกว่าถาวรในระดับนิจจังทุวังสัตสตังอวิปรินามธรรมังอสังหิรังอสังกุ ป, ปังนี่เป็นต้นเป็นภาษาวิชาการภาษาบาลีอาตมาก็ารวบรวมมาจากในพระตปิฎกนั่นแหละ หมายความว่ากิเลสตายชนิดเที่ยงแทนนิจจังทุวังยั่งยืนถาวรนสัจตังได้แล้วสมบูรณ์จริงมีอย่างนี้ตลอดไปเลยยืนนานตลอดไปนิรันดร์สัจตังอวิปรินามธทำมังไม่แปลเปลี่ยน เป็นอย่างนี้ได้แล้วเป็นอย่างนี้คุณสมบัติที่ไม่มีกิเลสอย่างนี้มันก็ไม่มีกิเลสอย่างนี้ไม่เปลี่ยนเป็นมีอีกหรือเพราแป๊บอีกก็ไม่มีอวิปรุรณามธรรมอสังหิรังที่ได้แล้วนี่ไม่มีอะไรมาทําลายหักล้างผลได้อันนี้ของผู้นั้นผู้นั้นด้วยอะไรมาหักล้างก็ไม่ได้ไม่มีริดแรงพลังงานพิเศษอะไรมาหักล้างได้อีกอสังหิรังอสังคุ ป, ปัง เสร็จแล้วเสร็จเลยจบแล้วจบเลยตายแล้วตายเลยไม่กลับกำเริบตายแล้วไม่ฟื้นยัขาดไม่มีเวียนกลับมาอีกนี่เป็นภาษาวิชารารของศาสนาพระพุทธเจ้าที่ยืนยันสัจธรรมความจริงที่ผู้ใดถึงผู้ใดบรรลุผู้ใดค้นพบมีจริงแล้วจะเข้าใจจะเห็นของจริงจะมีของจริงนั่นในตนเลยนะ จะมีของจริงนั่นในตนแล้วก็จะตอบตอนได้เมื่อเรามีแล้วใครจะมารู้ตามเราไม่ได้หรอกยากไม่มีใครมารู้ได้โดยเราในภาษาวิชาการอีกว่าเป็นภาษาบาลีว่าอาหะเมตังนชานามิอาหะเมตังนปัสซามิติแปล ว, ว่าของเราไม่มีใครรู้ใครเห็นได้โดยเรา นชานามิก็คือไม่มีใครรู้ด้วยเราไม่มีใครเห็นนะปัตซามีติกรับไม่มีใครเห็นด้วยเราเราเห็นของเราเรารู้ของเรามันเป็นปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหเป็นของเฉพาะตนรู้ของตนเองชัดเจนจำแจ้งจริงๆเลยเป็นวิทยาศาสตร์ เพราะฉะนั้นสัจจะของพระเจ้าจึงเป็นสัจจะที่เป็นปรมตาท่านยืนยันว่าเป็นปรมาธรรมเป็นธรรมะที่สูงกว่าโลกธรรมดาจริงๆตรงที่แหละตรงที่มีปรมัติตรงที่มีความรู้ยังรู้กิเลสแล้วดับกิเลสได้จริงๆถูกตัวตนของกิเลสที่ภาษาบาลีภาษาพิชาการก็เรียกว่าอัตตาหรืออัตต ะ, ะตัวตนนี้คืออัตตาหรืออัตตะแล้วก็ ทำลายมันจนไม่มีอัตตาไม่มีอัตตนี้จนศูนย์เรียกว่าอนัตตาไม่มีตัวตนนีนะ้เพราะฉะนั้นตัวตนนี้มันจะเกิดที่ใครผู้นั้นจะเรียนรู้แล้วก็มีระดับขั้นอโอราริกะอัตตามโนมยอัตตาอรูปะอัตตาที่เป็นต้นที่จะตัดสอนไว้นะสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเครื่องยืนยั น, นหลักวิชาที่เป็นหลักวิชามานานและพระพุทธเจ้าก็ยืนยัน อาตมาก็เข้าใจและเชื่อมั่นว่าเป็นจริงเพออราะอาตมาก็ศึกษาอันนี้มาไม่รู้กี่ชาติแล้วที่พูดนี่อาตมาไม่ได้มานั่งะระลึกชาติเพื่อที่จะอวดตัวอวดตนเหมือนเนคนคํานะนะขอยืนยันนะอาตมาไม่ได้มาอวดตัวอวดตนเหมือนอย่างเนนคําไม่ได้อวดตัวอวดตนเพื่อที่จะมาล่าลาบยศสั้เสริญนกรีกยุสมาล่า ก, กามมาล่าอะไรแต่ไรเป็นอามิตไทยแก่ตนเองอาตมา อ้างอิงตัวเอาตัวเองอ้างอิงเพราะคนทุกวันนี้นี่ไปเชื่อคนอื่นอมีระลึกของเก่าได้ระลึกชาติาระลึกอะไรความเก่าจากอาตมาอ้างก็หมายความว่าอาตมามีของเก่ามาได้ชาติก่อนจริงแต่สิ่งที่อาตมามีมานั้นคือวิชาพุทธคือธรรมะที่เป็นพุทธเป็นปรมาจารย์ธรรม แล้ววิชาปรมตถ ธ, ธรรมนั่นแหะมันไม่ได้ขึ้นต่ออามิตไม่ได้ทําเอามาเสนอเอามาเสนอเอามาแสดงเอามาให้ให้ใครเรียนรู้แล้วต้องการบริวารต้องการคนมานับถือต้องการลาบสักรระสันเสริญต้องการที่จะสร้างความเป็นใหญ่เป็นรัติใหญ่เพื่อล้มล้างรัติอื่นต้องการให้ใครก็เห็นว่าฉันเป็นผู้วิเศษตามที่อาตมาเอาของพระพุทธเจ้าสัจอันเนียบทเนียในพระไต่ปิดก อาตมาจําไม่ได้แล้วว่าอยู่ในพระเตมิลโกเล่มไหนตอนนี้ก็สู่แดนธรรมไม่ได้ ม, มาด้วยก็เลยไม่มีใครอินเสิร์ตอันนี้ใส่อถ้าสู่แดนธรรมอยู่เขาจะกดและพับเลยนะเขามีปฏิพานมีอ่าพรสวรรค์อันนี้ของเขาเร็วบางทีอาตมายังไม่ทันพูดถึงเลยนะเขาดักรู้แล้วจะพูดอะไรเขดักปับ๊บทำไมเขาไม่ทันไงเพั้นเขาไม่ทันเขาใช้เครื่องมือเขาใช้รูปดักวันนปับ๊บ ตัวาอาตมาต้องการเขาก็กดออกมาเลยได้อินเสิร์ตออกมาได้ทันทีนี่เป็นต้ น, นอาตมามาย้ำยืนยันบ่อยๆศาสนาพระเจ้านั้นไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถหรือจะพูดชัดๆว่าจะใช้ความเก่งเรียกว่าความเก่งอะไรเป็นความเก่งที่มีธรรมะไงะพูดที่มีธรรมะจริงๆก็เป็นความเก่งที่มีธรรมะอาตมาเอามาอ้างยืนยันไม่ได้เอาความเก่งที่มีธรรมะมาแสดงออกให้พวกเรา ฟังพวกเรารับรู้เพื่อจะได้จะได้บริวารจะได้คนมานับถือจะได้ลาบสการะสรรเสริญจะได้ใครก็เข้าใจโอ้โหจะกรูกเดียวกันมาเป็นรวมตัวเป็นรัทีิใหญ่เป็นล้มล้างรัที่อื่นเลยแม้ทามันได้ก็ดีเลนี่ดูสิเนี่ยกระจิบคนนี้สามสิบสี่สิบปีแล้วนี่ดูสิเนี่ยลทัทอื่นเขานี่โอ้โห เป็นแสนเป็นล้านมีโครงการที่จะต้องให้มารวมกันเป็นล้านล้านหลายล้านโอ้โหก็ทำก็ได้แต่อัตมาทำไม่ได้ถ้าจะว่าต้องการไหมเอาถ้าจะพูดขึ้นด้โดยไปโบหานพยัญช น, น, นะก็ต้องการสิแต่มันต้องการแล้วมันได้ดังต้องการไหมล่ะอัตมาก็ไม่งงถ้ามันไม่ได้ต้องการอัตมาไม่ใช้พลังงานนี้ใช่ไปแล้วมันก็ป่วยการ พลัางานอยากได้ไหมเราอยากได้มากๆเลยพู้ที่มาเข้าใจศาสนาเข้าใจธรรมะอย่างเนี้ยอยากได้มากๆไหมถ้าจะพูดโดยโวหารโดยความสามัญสำนึกธรรมดามันก็อยากได้อ่ะแต่อัตมาก็ไม่ได้ทําใจอยากได้รู้โดยโวหารโดยสามัญมนุษย์โดยสามัญอันควรก็อยากได้ใช่ไหมโดยสามัญแต่อัตมาทําใจของอัตมาอยากได้ไหมอัตมาเรียนรู้แล้วความอยากได้คืออะไร จิตที่มันตัวอยากได้เลยว่าตัณหาด้วยความต้องการเนี่ยมันเป็นอาการอย่ังไงจิตยังไงอาตมาเรียนรู้แล้วก็ไม่สร้างตัณหาอย่างนั้นขึ้นมาไม่มันมีในจิตนี่เป็นการศึกษาของพระพุทธศาสนาของพุทธเจ้าเป็นได้จริงอาตมาก็ไม่ทําให้จิตของเราไปอยากได้สิ่งที่ไม่น่าได้ไม่น่าจะได้มาทําไมนะมันไม่ได้อ่ะที่พูดเมื่อกี้นี่คือมันอยากได้แต่มันไม่ได้ดังอยากหรอ อาตมาก็ไม่ต้องไปทําทำทำไมแต่ถ้าเผอว่าอาตมาจะพูดชัดๆอีกอันหนึ่งยืนยันขณะนี้เลยว่าอาตมาแสดงธรรมนี่ถ้าอยากนะอยากให้พวกคุณเข้าใจและเอาไปปฏิบัติบรรลุเนี่ยอันนี้ทีอาตมามีแรงอยากมากกว่าอยากได้ลาภยศเสริญอยากได้บริวารอยากได้อะไรอย่างที่ว่านั้นหรือแม้แต่อยากได้พวกคุณมามากๆที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยอาตมาว่าอย่างงี้ถ้าให้อยากแค่เนี้ยแค่ว่า ไม่อยากให้คุณมาได้เงี้ยแล้วเราบรรลุบรรลุได้เงี้ยเอออย่างเงี้ ย, ออยมันก็เป็นความต้องการตัวตรงเป็นความต้องการที่ก็แน่นอนจะพูดเล่นลิ้นว่าไม่เราไม่อยากหรอกก็พูดได้ว่าเราอาตมาก็เคยพูดว่าอาตมามาแสดงทรเนี่ยไปแสดงความจริงออกไปเพื่อให้พวกคุณรับรู้รับฟัง เ, เข้าใจแล้วเห็นดีคุณก็มาเอาไม่มาเอาก็ไม่ว่าไปว่าก็ไม่ได้หรอกอ่าไม่มาเอาก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าจะพูดถึงสามันสํานึกของมนุษย์นั้นนะ่ะเออมันควรได้มากๆไหมนะมันควรอย่างยิ่งมันน่าอย่างยิ่งแต่อตมาไม่สร้างอาการของจิตให้มันจิตว่เออมันเรียกร้องมันอยากมันหน้าอะไรอยู่อัดอะไรอยู่ไม่เอาไม่ทําแต่โดยการสํานึกรู้ว่าเออหน้าได้ไหมเก็มีหน้าได้ แต่มันจะได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่พวกคุณจะมาเองหรือไม่มาเองใช่ไหมพวกคุณจะมาเองหรือไม่มาเองถ้าอาตมาสแสดงออกไปแล้วคุณโอ้โหเข้าใจดีแม่ประทับใจทราบซึ้งต้องเอาอันนี้คุณก็มาของคุณเองแล้วอันนี้หละอาตมาต้องการตรงนี้ถ้าจะว่าต้องการลึกเข้าไปเลยอต้องการความจริงที่เกิดจากจิตจริงของผู้ที่มาอันนี้ด้วยฉันทะ ต่างดีพุทธเจ้าท่นตรัดไปในมูลสูตรชันทะเป็นข้อที่หนึ่งเป็นมูลมูลแปลว่าเขาต้นรากเลยมูลเป็นเขาเป็นต้นเป็นรากเป็นอันแรกเลยต้องมีความพอใจยินดีต้องการมาเองนะอย่างมูลสูตรนี่สองก็มาเรียนรู้มณสิการเป็นอันที่สองที่เป็นแดนเกิดเป็นสัมภะแลวก็หัด ศาสนาพุทธมาเรียนตรงนี้ทำใจในใจให้เป็นที่อัตมาอธิบายมาแล้วว่าศาสนาพุทธมีปรมัตาศาสนาพุทธต้องเรียนรู้จิตเจตสิกรูปนิพานนี่แหละมณะมณสิกการที่ใจนี่ต้องมาทำตรงนี้ให้เป็นมณสิกการต้องทำให้นี่ให้เป็นนี่คือศาสนาพุทธเจตมาอธิบายปรมัตาหรือสมมติทีสัจจะมาจนถึงจุดนี้แล้วเนี่ยก็เขว่าศาสนาพุทธต้องทำใจในใจหรือมณสิกการ การทําใจในใจเด็กหรือเรียกเป็นภาษาเป็นกิริยาคํากิริยากับมะนะสิมณสิกโรติแต่เทมณสิการแปลว่าการทําใจในใจเป็นคํานามเพราะฉนั้นเองต่างกันตรงคํานามกับคํากิริยาถ้ามณสิกโรติก็คือเราทําเป็นกิริยาของการทําทําใจในใจเป็นอา่อาอ้าวมีมีม นีมีสมณะท่านหนึ่งบอกว่าอาที่อื่นเขาเอาที่มีคนมาเยอะๆนั่นนะเพราะว่าเขาแสดงอิทธิปาฏิหารอาแสดงอาเทศศาสนาปาฏิหารปาฏิหารมีสามอย่างเขาแสดงอวดอิทธิฤทธิเรียกว่าอิทธิปาฏิหารอวดอาเทศนาแปลว่าอย่างรู้อะไรลึกๆ ล, ล, ละเอียดละเอียดหลังรู้ใจคนอย่างรู้ะอะไรของหายหลังรู้สิ่งที่ลึกลับอะไรเนี่ยเรียกว่าอาเทศนาปาฏิหารอ เขาก็แสดงคนก็ทึ่งก็ชอบอ่าเพราะว่าคนแสดงอย่างงั้นได้มันเก่งกว่าคนเล่นกล น, นะคนเล่นกลรวยเละเลยเพราะว่ายิ่งเล่นกลได้เก่งๆใช่ไหมทิ่สา د เนี่ยวทําหทายตัวเหาะเหินเดินน้ําดําดินได้คนเล่นกลรวยอันนี้ถ้ามีจังงั้นแสดงให้คนอื่นได้นะแสดงได้จริงไม่จริงขนาดไหนแล้วแต่ยังออใส่บาบาใส่บาบ า, บาเนี่ยโอ้โหแสดงพลคนขึ้นทั้งโลกเลย แม้แต่นักวิยาศาสตร์ไทยชั้นสูงก็ยังไปศรัทธาเรื่องสาอันนี้เห็นว่าเป็นเนื้อหาของศาสนาซึ่งพระพุทธเจ้าท่านบอกก็เลยไอ้ที่ปาติหารกับอาเทศานาปาติหารนี่ท่านท่านบริภาพเลยอัตยามิฮะรายามิจิกุชามิเป็นภาษาบาลีท่านบอกว่าโอโท่านบือ่อรรท่านเกียดชังเกียดชังสิ่งเหล่านี้แต่ท่านก็สอนด้วยว่ามันเป็นไม่ได้ปฏิเสธนะว่ามันเป็นไปไม่ได้ ไม่ได้ปฏิเสธว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ถ้ามีเหตุปัจจัยพอทำได้นะทาได้แต่ไม่เป็นไปเพื่อความละนายคลายเป็นไปเพื่อสะสมกองกิเลสเป็นไปเพื่อความไม่ได้เป็นพ้นทุกข์มีแต่จะเพิ่มทุกข์เพิ่มทุกขนะ์สมมติว่าเนนคาเนี่ยมีอภินิหารพวกนี้จริงสมมติว่าจริง ตอนนี้เนนคําทุกไห ม, ไมไที่มือใครไอ้คนออกไปนอกประเทศแล้วกลับบ้านไม่ได้นี่ทุกเหรอฮะคนที่ออกไปนอกประเทศแล้วกลับบ้านไม่ได้นี่ทุกเหรอออเนาะแล้วก็นางสารออกไปนอกประเทศแล้วกลับบ้านไม่ได้แล้วทุกนี่เนาะมันไม่ใช่มีเนนขับคนเดียวเนาะมันมีหลายคนออ่า ก็งั้นต่อให้เน้นคำจริงเลยนะอภิญญาจริงเห็นไม่เป็นทุกข์มันไม่ได้เป็นการไปเพื่อละกิเลสนายใครทำไป เ, เทศนาปาฏิหาริย์ก็ดีอิทติปาฏิหาริย์ก็ดีไม่ได้เป็ น, นความเครื่องชี้วัดว่าเป็นผู้บรรลุธรรมหรือเป็นผู้ที่ล้างกิเลสได้จริงไม่ใช่มีแต่จะเพิ่มกิเลสนะมีแต่จะเพิ่มกิเลสอ่ เพราะฉะั้นใครฝึกฝนเอาอาเทศนาปฏาิหารอิทธิปฏิหารมันก็ได้ฝึกได้อมันก็ฝึกคนเราไปถึงเวลาเนี่ยมันก็เออมันก็เอาบ้างจิตมันมีมันก็เอาจิตพยายามเอาจิตไปทํำแบบนี้แบบนี้อขออภัยอาจารย์มา ก, ก็ทําก็ฝึกแต่มาบวชแล้วนี่พระพุทธเจา้าท่านปรับอบัตเลยแม้มีแล้วก็แสดงไม่ได้ อภินิห์หรือปาฏิหารมีอยู่สามอย่างปาฏิหารหรืออภินิหารที่แสดงไม่ได้คืออันนี้แหละอิทธิปาฏิหารกิกาเทศนาปาฏิหาริห้ามแสดงเด็ดขาดเลยไม่มีเงื่อนไขแสดงไม่ปรับเลยถ้ามีในตนก็ปาจิตติถ้าไม่มีในตนก็ปราชิกอีกอันหนึ่งปาฏิหารคืออนุสาสนีปาฏิหารอภิเิหารในคําสอนสอนเรื่องอะไรสอนในเรื่องรักกิเลส คำสอนพระเจ้ามีเจลักกิเลสนายละนายคลายกิเลสลดกิเลสทักไม่กิเลสหมดตามคําสอนอนุสาสนีไปแล้วว่าคําสอนถ้าไม่ได้สอนเลยเรื่องอิทธิปาติหาริย์เทศนาปาติหารไม่ได้สอนเลยไม่เราสอนพูดไปแล้วบริภาด้วยขรายามิอัตยามิทิคุชามิอย่างที่ว่าเนี่ยไม่ได้สอนและบริภาดด้วยแต่ทุกวันนี้นเพียนศาสนาพูดเพียนไปหมดเลย ขอยพูดให้ชัดเจนอีกอัตมานี่ก็เป็นโพธิสัตว์ก็ต้องในข่าวที่ลิงลมอมก็พองก็ไปฝึกฝึกไอพวกนี้ก็ฝึกมันยังไม่รู้เท่าไหร่มันยังไม่มันยังเป็นลิงลมอมก็พองอยู่ก็ไปเล่นสิย์ศาสตร์เล่นดิสดนเดนเล่นอะไรอะไรเพิ่มกันทุกชาติแหละบอกให้เลยจนรู้ตัวว่าเอาหรือมาบวชแล้วหยุดหรือแม้ไม่บวชก็ไม่ทําถ้ารู้แล้วก็ไม่ไม่ทําไม่ควรทํา ไม่ต้องมาบวชก็รู้ดีก็ไม่ทำแม้เป็นคารวาสก็ไม่ทำเพราะมันไม่ควรมันเพิ่มกิเลสแลวมันเป็นทุกข์อย่างที่เห็นอยู่นี่นะยกตัวอย่างเนนคําเนี่ยต่อให้เป็นจริงเลยแต่อาตมาว่าอันจะหลอกมากกว่าจริงมั้งเนอรเนนคํมเนี่ย <c oughs> อัตมาก็ไม่ได้เป็นพิสูจน์นะ อาตมาก็ไม่ได้เป็นพวกนักที่จะไปยืนยันความจริงพวกนี้นะเพราะงั้นอาตมาพยายามที่จะบอกหรือพยายามที่จะอธิบายสัจจะความจริงของธรรมะพระพุทธเจ้าที่พูดไปแล้วก็ต้องพูดให้ชัดว่าศาสนาพุทธไม่ได้มาต้องการข่มเบ่งยกตนข่มท่านว่ามีปรมามตสัจจะหรือมีปรมามตธรรม แต่ไม่เป็นสัจจที่เป็นชนั้นจริงก็พูดไปก็ต้องขออภัยถ้าใครรู้สึกว่าเราไปคมหรือศาสนาอื่นๆที่ได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าอาตมาพูดนี่แม้คมคมศาสนาท่านศาสนาคนนั้นคนนี้ก็ต้องขออภัยอย่างมากจริงๆว่าอาตมาไม่ได้มีเจตนาที่จะพูดอย่างนั้นไม่มีใจไม่มีจิตเชิงคมเลยอาตมาเคารพบูชานับถือศาสดาต่างๆนอย่าว่าถึงศาสดาเลย ทักขิเนยบุคคลบุคคลที่น่าเคารพนะไม่ต้องถึงเป็นศาสดาหรอกตั้งใจภาคเพียงปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบในชีวิตมีปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบอย่างน่าเคารพ บ, บูชาจริงๆเป็นอาหูเนยบุคคลปาหุเนยบุคคลทักขิเนยบุคคลจริงๆอยู่ในข่ายอันนั้นจริงๆเลยแม้ไม่ใช่ศาสนาพุทธก็มีเคารพปฐมาเครุณ น, นี้ไม่ได้พูดเล่นลินนะเคารพ ยิ่งาศาสดาทุกพระองค์สามารถช่วยมนุษย์ได้อย่างแท้จริงให้พ้นทุกข์รอว่าให้เป็นคนดีได้อย่างสําคัญไม่ใช่เรื่องเล่นๆดันได้นะอย่างน้อยข้อหนึ่งชาติบางคนนี่บรรลุแล้วได้ทั้งเป็นชาติเลยไม่ละเมิดเลยทั้งชาติส่วนชาติอื่นๆ น, น, น, นั้นอาตมาไม่พูดต่อไปเพราะว่ามันไม่เทียมมันไม่เป็นนิจังทุวังสัตตังอวิปารินามะธรรมังอสังหิรังอสังกุ ป, ปังนะ มันไม่เป็นคุณสมบัติที่สมบูรณ์เลยจบเด็ดขาดจบกิจไม่ต้องปฏิบัติอีกเสร็จกิจจบกิจเลยมันไม่ไม่ถึงของเหมือนพระพุทธเจา้าเนีซึพูดไปแล้วก็ไปกลายไปไปข่มาศาสนาอื่นดีก็ก็พอแล้วกั น, นตรงนี้เพราะที่อาตมาเจตน า, จ ธ, นาจธิบายนี้เพื่อที่จะให้เข้าใจว่าธรรมะของพุทธเจ้านั้นแตกต่างจากธรรมะผู้อื่นเป็นโลกุตรธรรม เป็นอาริยธรรมหรือเป็นปรมตทมนั้นประเด็นมันอยู่ตรงไหนประเด็นอยู่ที่มีญาณอย่างรู้จิตเจตสิกรูปนิพานจริงๆแล้วทำให้จิตของเรามณสิการหรือมณสิกโรติทำจิตของเราให้หมดกิเลสได้จริงให้หมดกิเลสได้จริงแล้วกิเลสก็ตายจริงหมดจริงดับทาวรด้วยเป็นอรหัตผลของาศาสนาพุทธนี่คือจบ อรหันตผลที่เป็นอรหรันอรหันแปลว่าจบอันตะอรหะแปลว่าไม่ลึกลับแปลว่าไม่ลึกลับแล้วความลึกลับอรหันเนี่ยรหะแปลว่าลึกลับอะรหะแปลว่าไม่ลึกลับเพราะงั้นเรื่องจิตเจจะสิ่งรู้ที่พานเนี่ละเอียดลึกซึ้งลึกลับไม่ได้รู้ได้ง่ายๆแม้ว่าจะไม่พูดพาดผิดไปถึงาศาสนาอื่นนะเดี๋ยวต้องพูดอีกหน่อย แม้ศาสดา อ, อื่นๆที่เก่งเท่าเก่งก็ยังไม่ไม่สามารถที่จะเข้าไปรู้ละเอียดละ อ, อจบทเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะยะนันที่ว่าไม่ลึกลับอระหันเนี่ยอระหันตะผลก็คือได้สภาพหนึ่งขึ้นมาแล้วอัตตะแปลว่าสิ่งที่ยกขึ้นหรือสิ่งที่สมมุติขึ้นสิ่งที่มีขึ้นแล้วเพราะมีขึ้นแล้วทุกอย่างในโลกนี้เป็นสมมติที่สัจจ์ทั้งนั้นแหละ แต่ผู้ที่เรียนรู้ปรมัตทสัจจานั้นจบเลยสามารถบรรลุสุญญตาแล้วท่านก็อยู่กับสมมุติสัจจะอยู่กับที่ทุกคนยึดถือความดีความไม่ดีไอ้ส่วนปรมัตทสัจจ์ปรมาธรรมนั้นท่านเป็นนิพพานแล้วของท่านก็ไม่มีอะไรแล้วท่านก็ทํากับคนอื่นๆตามที่ควรจะทําอนุโลมปฏิโลมอยู่กับคนอื่นทํางานกับคนอื่นเท่านั้นส่วนตัวเองนั้น ไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนไม่มีเราเป็นเราเป็นอะไรแล้วทํางานคนอื่นใครจะมองยังไงใครจะว่างไงใครจะลบหลู่ใครจะนับถือไม่ขึ้นไม่ลงกับใครจะลบหลู่ใครจะนับถือไม่ขึ้นไม่ลงถ้าไม่ได้ขึ้นกับใครจะนับถือใครจะลบหลู่ท่านมุ่งหมายจะเพียงว่าเอาสัจจมาเผยแผ่ให้คนชัดเจนงายของที่คว่ําจุดไฟในที่มืดชี้ทางให้คนแก่คนหลงทางเท่านั้น ส่วนจะไปบาดเสียดใครใครไม่ชอบใจแล้วใครจะด่าจะว่าก็ ก, ก, ก็จํานนถ้าเราเองประมาณไม่ดีเขาก็ไม่ชอบใจเขาก็ด่าเขาว่าดีไม่ดีเขาเอาเราตายเหมือนอย่างพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลาน่าก็ถูกผู้ที่อยู่ในศาสนาอื่นที่ไม่ชอบใจถ้าเป็นคู่ปฏิบัติ์นั่นแหละข้าเอาข้าเอาจงกัลสุต้าก็ต้องยอมตายอะพระโมคคัลลานะท่านนี้มีฤทธิ์มีเดชไม่ตายก็ได้เออ แตสุดท้ายก็ต้องยอมจำนวนดยมีบากอะไรอย่งี้เป็นต้นนเขาไม่ชอบใจนะคนที่ไปขัดแย้งเรือ่องเขายึดถือของเขาแล้วไปไปไปสะทบเขาไปพาดพิงเขาเขาก็ไม่ชอบใจเพราะเขามีอัตตาก็าถือดีถือตัวเขาไปแตะต้องอยั่งเขาเนี่ยเขาก็ไม่ชอบใจะก็ไม่ชอบใจก็ต้องประมาณอย่ากให้เขาเกิดอาการไม่ชอบใจนกักแต่มันเลี่ยงไม่ได้สุดท้ายมันเลี่ยงไม่ได้ ไอตัวที่ของจริงที่จะต้องปรับประกาศหรืจะต้องบรรยาหรือจะต้อง บ, บอกให้รู้กันยิ่งยุคนี้ยิ่งเลี่ยงยาเพราะสื่อสารมันเปิดหมดเลยมันเป็นออะไรเขาเรียกอะไรอโลกอะไรโลโรคไรพรมแดนนั่นแหละภาษาอังกฤษก็โกล b a l i นั่นแหละมันมันไม่มีอะไรขั้นแล้วมันโอ้โหสื่อสารรู้กันทั่วไปหมดเลยปิดบังกันไม่ได้เลย ปิดขนาดไหนมันก็แฮ็กเข้าไปเอารู้เรื่องได้หมดรับเท่าไหร่มันก็แฮ็กเข้าไปรู้ได้หมดอย่างนี้เป็นตน้นมันมันโอ้โหปิดหรือว่าเผยแพร่หรือพูดเปิดอย่างอตาตมาพูดไปที่ไปต่ห่วงแล้วเขาจะดักรู้ดักรับอะไรูร้หมดนะี่เพราะฉะนั้นจะอยู่ที่ว่าเขาจะถือสาหรือว่าเขาจะขั้นเกรืองหรือว่าเราถ้าพูดชัดพูดจัดพูดจริงพูด เปลี่ยนเปลี่ยนพูดเปลี้ยงเปรี่ยงมันก็กระทบแรงพูดเปลี่ยงเปรี่ยงนี่คงเข้าใจแล้วนะอาจะมาใช้ศัพท์ไทยภาษาไทยพูดเปลี่ยงเปลี่ยงมันก็กระทบแรงใช่ไหมมันก็จําเป็นแต่ถ้าเปลี้ยงเปลี่ยงแล้วมันก็ชัดดีอ๋อนอกจากชัดดีแล้วโมโหถึงใจทะลุใจเลยใช่ compile, ถึงใจทะลุใจอีกด้วยมันก็เขา่ทาอยู่เนะอันนี้อาจามาก็ขึ้นต้นด้วยการบรรยายนํา โอ้โหหมดเวลาไปตั้งหลายนาทีเลยอ่าอ่าศูนเปล่าไหมเนี่ยฟังรู้เรื่องกันไหมขออาภัยนะไม่ได้ดูถูกดูแคลนอะไรถามด้วยความซื่อสัตย์จริงใจด้วยจิตเมตตาอ่มีจิตเมตตากลัวจะไม่รู้อ่อกลัวจะไม่รู้ถ้ารู้ได้ก็โอ้โหอนุโมทนาสาธุนะถ้าเข้าใจได้ดีก็อนุโมทนาสาธุ อนี่เป็นเนื้อหาศาสนาพระพุทธเจ้าอาตมาทํางานมาถึงสามสิบสี่สิบปีแล้วนี่ยิ่งเห็นสัจจะความจริงแล้ะอาตมาก็เปิดเผยอะไรของมาอีกมากม า, มากขึ้นนะเปิดเผยแล้วก็เหมือนกับอะไระอะไรที่อวดที่อ้างเปิดเผยสิ่งที่ลึ ก, กลับลึกซึ้งยากและอะไรตอะไรต่างๆนานาหลายอย่างหลายหันที่อาตมาพูดพวกเราอาจจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ฟังไม่เข้าใจหรือว่า รู้ไม่ได้ฟังแล้วก็รู้ไม่ได้ก็แน่นอนอะไรๆอย่างมันเป็นอย่างนั้นนะบางอย่างก็ผู้ฟังเนี่ยบอกรู้ได้แล้วโอ้โหอันนี้เข้าใจแล้วรู้เลยเองเลยนะว่า อ, อืมอันนี้ลึกซึ้งอันนี้เราเข้าใจได้อันนี้อันนั้นแหละเป็นเป็นลาบลาบอันประเสริฐเขาผู้ฟังทําแล้วอือมรู้ว่า น, นี่มันลึกซึ้งแล้วมันดีมันโอ้โหยี่ยมเลยทราบซึ้งใจแล้วอือืออันนี้แหละ แค่อยากให้เกิดในจิตของคนแต่ละคนแต่ละคนคนแต่ละคนพูดไปพูดไปแล้วแบบว่าได้เด้แล้วไปคนละกองสองกองได้คนละเข่งสองเข่งโอ้ดีจังนะอยากให้เป็นอย่างนี้แต่มันไม่ง่ายนะแต่ก็ต้องทําพยายามทําแล้วก็ลึกซึ้งขึ้นมาเรื่อยๆลึกขึ้นมาเรื่อยๆทุกวันนี้ก็ทําหลายคนก็นบ่วนว่ายากยากฟังธรรมมาพุทธานยากยากยากอาตมาก็ไม่รู้จะทํายังไงนะรายการอาตมาเองเดี๋ยวนี้ก็ ให้ท่านทั้งหลายช่วยกันไปย่อยไปรับละเอียดและขยายผลขยายความเพิ่มเติมช่วยอาตมามันก็ขอบคุณอยู่ก็ดีก็ไปอาตมาเองก็น้อยลงนขนาดน้อยลงแล้วก็ยังยิ่งลึกยิ่งยากก็ไปอีกแต่อาตมาว่าไม่ได้ดูถูกคนคนแน่นอนคนทุกคนมีปัญญาของตนเอง ศาสนาพุทธในเมืองไทยมันมีมาตั้งแต่เกิดประเทศมีมาตั้งแต่เกิดประเทศยิ่งมีตะก่อนก่อนโน้นจะมีเนื้อหาสาระถูกต้องมากกว่ายุคนี้ยุคนี้มันเพี้ยไปไกลมากเลยจนกระทั่งมรคอภัยเดอะมันหามรคหาผลยากแล้วก็ไปหลงมรคหลงผลกันเป็นมิจฉาผลมิจฉามรค ก, กันเยอะข้อภัยจริงๆอาจารย์ต้องกล่าวสัจจะความจริงอันนี้ เขาเลยยิ่งทำให้เป็นหน้าที่ที่อาตมาจะต้องยืนยันและยิ่งยืนยันเขาก็ยิ่งชังน้ำหน้าใช่ไมยิ่งยืนยันมาเขาผิดนะมรกผิดผลผิดนะเขาก็ยิ่งชังน้ำหน้าอาตมาก็เลี่ยงไม่ออกไม่รู้จะทำไงจะให้อาตมาพูดไปแล้วว่าอันนี้มันไม่ถูกมันไม่ดีและจะให้อาตมาไม่บอกพูดกลางกลางดีไม่ดีก็พูดกลางกลางนนดีอันนี้ถูกก็บอกไม่ได้ปรี้ไปค ม, มอันนี้ไม่ดี ก็ไม่ได้อปนี้ไปขมอันนี้ดียกตนขมอีกอันนี้ไม่ดีขมเขาอันนี้ดียกอันนี้ขมอันนี้ยกอัตมาก็เลี่ยงไม่ออกเลยพระเจ้าท่านตรัสอันนี้ขันเณรขะหาระฮังปักขันเณรปักขะฮาระหั่งก็ต้องขมสิ่งที่ไม่ดีนิคันเณรก็ต้องยกสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องปักขันเมันมันเลี่ยงไม่ได้มันเป็นสัจจะที่สุดวิสัยที่จะเลี่ยงแล้วก็เลยต้องเป็นนะเพราะสําคัญก็คือเราต้องประมาณ มัตตัญุาตาประมาณนี้เป็นไปได้อัตมาก็ประมาณมาทุกวันนี้ก็อรอดปากเกี่ยวปากกามาได้ทุกวันนี้ก็ยังดีอัตมาเคยพูดว่าอัตมาจะเทศให้ฆาอัตมาถูกฆ่าตายภายในห้าวันเนี่ยอัตมาเขเคยพูดใครเคยยังจําได้ไหมเคยได้ยินไหมอัตมาเคยเทศเคยเทศตั้งแต่บวชใหม่ๆกลางวัดมหาธาตุอัตมารู้ว่าอัตมาจะมาทําอะไรจะมาทํา เป็นใครอตาตมารู้วยก็พูดแต่แต่ตอนนั้นว่าถ้าอาตมาจะเทศให้อาตมาใ้ตายภายในห้าวันอาตมาทําได้แต่อาตมายังไม่ทําหรอกอาตมาไม่ ง, งงอย่างนั้นก็ก็ไม่ได้ทําก็พยายามค่อยแสดงทำอย่างมีมัจตัญญุตาประมาณมาจนถึงทุกวันนี้แล้วทุกวันนี้โอ่ะโหจัดจ้านชี้ชัดชี้แรงชี้ลึกอะไรตไร่างๆ แล้วก็ไปกระทบกระแทกกระทุ้งแม่มันมีภาษาภาษาไทยวิวจีสังขารนั่นน่ะดิมันมันคอภัยมันใช่ว่ากระทืบด้วยอมันมันขนองอ่ะมันจิตมันขนองกระทุ้งกระแทกมันมันมีกระทืบต่อไปอีกอ่ามันไม่ไม่งามไม่ดีก็บอกให้ฟังนมันไปปกระทบข่าว่มันไม่ดีไม่งามมันก็เรียกไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นนะเอาวันนี้ ในหัวข้อให้อัตมาผ่าความจริงอัตมาก็เลยบอกผ่าบอกความจริงที่เป็นสัจจะสองอย่างสมมุติสัจจะกับธรมะทศสัจจะสัจจะคือความจริงอธิบายความไปยาวยืดพอสมควรแล้วเราคิดว่าจะได้ปัญญาหรือว่าได้ความรู้เพิ่มเติมเอาทีนี้อัตมาจะผ่าความจริงคนใต้เนี่ยอัตมาตอนนี้บอกตัก้งแต่ต้นแล้วว่า อาตมา จ, จะรู้ได้ยังไงนาะว่าคนใต้นี่มีความจริงยังไงแค่ไหนแล้วจะไปผ่าตรงไหนอนะไรนี่ยยังไม่รู้เลย ว, ว่าความจริงของคุณคนยังไงเออถ้าอย่างมาเขือนี่นอาตมาได้มาผ่ า, าเลยเนี่ยโอ้โหเฉาะเลยได้ทีเนี้อาตมายังไม่รู้เลยความจริงของคนใต้แต่ยังไงแค่ไหนนะตั้งชื่อมาให้อาตมายากยากให้พาความจริงของคน ข้อความจริงคนใต้จะพายังไงหนีที่เพื่คนใต้ก็มีอ่วันนี้ก็ยังมามาจากภูเก็ตกันนะก่อนบอกโอ้พี่แป๊ดพี่แป๊ด ก, กว่าเงินนะก็ได้ก่อนนี้อาตมาเขาเรียกแต่ชื่อเล่นกันอาตมาอยู่ที่เรียนอยู่พ่อช่างเนี่ยเขาเรียกกันพี่แป๊ด ก, กันทั้งโรงเรียนนะเนี่ยพราะอาตมาไปเข้าเรียนพ่อช่างมันอาตมาแก่กว่าเขาอแก่กว่าเขา อาจมาไปเข้าในแกงกับเขาสามปีรุ่นอาจมาเพราะอาจะมาไปงมโค้งเรียนทางวิทยาศาสตร์ทางอะไรอยู่นั่นนะทางสามัญอยู่ตั้งหลายปีตกเงาตกเง า, เงาเอาไม่ได้ก็เลยมันก็ชอบชอบทางศิลปะอยู่แล้วก็เลยกไปพัตน์พูดไ ป, ไปเจอเพื่อนที่เพาะช่างเพื่อนเขาเรียนชั้นปมอแล้วมาเรียน อวสอแล้วอไอ้เราก็ไปบพบเพื่อนแล้วเพื่อนก็บอกเข้าที่นี่ ท, น ท, นท่านอาจารย์ท่านตั้งคณะใหม่นั่นเนี่ยตอนนั้นมันเวลาเลยเวลาเดินนมิถุนาแล้วยังไม่เต็มเลยใ่ห้องเข้าได้เข้าเพิ่มเติมได้อาจมเาเพราะจังไม่ได้สอบนะไม่ได้สอบหรอกเพราะว่าเขาตั้งคณะใหม่คณะกิจกรรมเนี่ยออ่าคณะเอเยวอาร์ตเนี่ยเขาตั้งขึ้นใหม่อ่ายังไม่ยังคนนักเรียนยังไม่เต็ม อตาตมาก็เข้าไปก็เลยเป็นนักเรียนโคงเขาก็เรียกพี่ทั้งทั้งโรงเรียนนะอนะนะเพราะว่าเป็นเพื่อนในระดับปวส์เขาโ น, น่นระดับอย่างนั้นนะเขาก็เรียกพี่กันเรียกชื่อเล่นเรียกพีปัก พ, พกันเมือ่อวันนี้ก็มาโอ้มาอาดีใจจังามาจากภูเกต็ตเป็นคนภูเกต็ต<ม>คนภูเก็ตมาเยอะนะอคนภูเก็ตมาเยอะเอเดี๋ยวเราจะกลับเรต้องไปคืน เช่องที่ภูกเก็ตจะผ่ายังไงความจริงไหนสิลองลองสิงงหหให้ถามปัญหาเหลยอ๋อต้องบอกความจริงของคุณออกมางั้นด้าธรรมาจะได้ผ่าได้เหมือนมะเขือนี่เออมีมะเขือก็ผ่าได้นี่ยังไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงเอาสิเอาเอาเอา่าใครมีมังคุดขึ้นมีมะเขือก็ว่าออกมาจะได้ผ่าได้ไม่ใา่ธรรมย่ยผ่าได้ไง ฮะโอ้ยยกหัวใจยังไงก็ไม่รู้แล้วใจใครอาตมาจะไปเก่งได้ไงอาหารเมตังนาชานามิอาหาเมตังนับะัามิติใครจะไม่รู้มาเห็นได้ดยเราเนี่ยของเราอตราตมาไม่เล่นอาเทศนาปาฏิหารหรอกเดี๋ยวพระเจ้าจะเอาตาย <c oughs> ไม่เอาอาบดับในดีน้อ้าวเอาเลยยกมือใครจะถามหรือไม่ก็เขียนขึ้นมาอาไม่มีใครนี่มีมาหนึ่งแผน นมาตรการพ่อครูเดือนนี้กรกฎาคมจังหวัดพังงาฝนจะตกมากถึงมากจริงๆนะฝนจะตกมากถึงมากจริงๆริเลเปิดเฉพาะปีนี้ทุรักทุเลทั้งจังหวัดพังงาทีเดียวโมเลปิชเลขวัญฝันว่าน่ะเลขวัญไม่ใช่ชเลฝันหลายคนเรียกเฉลฝวัญเฉลขวัญอ่าเลขวัญ ฝันว่าจะมีเดือนไหนจังหวัดใดเนาะจะมีเดือนไหนจังหวัดใดเนาะที่ญาติธรรมชาวโศกจะได้จัดงานบุญร่วมกันแบบนี้จะได้จัดงานบุญร่วมกันแบบนี้ตั้งแต่เนิ่นๆก่อนเข้าฤดูฝนชุกชุมเช่นนี้อ๋อเนี่เป็นความต้องการเป็นความปรารถนาอย่างหนึง่งเช่นหลังงานตลาดอาริยะที่บรรดา อ๋อบอกกาละเวลาเลยนะหลังงานตลาดอริยะที่บันดาดนะด้วยเหตุผลว่าทุกคนผ่านงานหนักมามากแล้วจะได้ถือเอาว่าระฟื้นฟูสุขภาพที่งานชะเลขขันกันเต็มที่เพราะว่ามีชายหาดให้ได้ออกกำลังกายมีชายหาดให้ได้ฝังทรายถ่ายพิษ มีโอโซนแสงแดดยามเย็นอาทิตย์ตกน้ำตัะยานใหญ่มีละลอกคลื่นใหญ่น้อยคอยประโลมทำมมีพ่อครูบรรลูสีหนาทแข่งกับโลกแข่งทุนนิยมมาอ้าหมดนะครับอ๋ อ, อ, อนี่พยายาม น, นันี่ยกแม่น้ำมาห้าหกสายอ่า ย, ยกทะเลเลยยกทะเลมาห้าหกสายนะมีชายหาดมีโอโซนมีละลอกคลื่นนะ ให้บรรลือทำแข่งกับโลกแข่งทุนนิยมอ่าก็เป็นความปรารถนาเป็นความประสงค์จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คนของเราเนี่ยยังไม่มากยังทำอไมจย่างที่มีความปรารถนาแต่ว่าไม่ใช่แต่ที่นี่รอกเพื่อปรารถนาจะให้เป็นอย่างนี้นะ่ะทุกแห่งทุกชุมชนอ่าทุกชุมชนและชุมชนที่มีคนน้อย นิดก็อยากจะทําเหมือนกันคนมีคนพอปานกลางก็แน่นอนก่อยากจะทําแม้ในที่ที่มีคนมากหน่อยก็ยังทําไม่ได้นะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็ขึ้นด้วยเหตุปผลที่มันไม่สามารถที่จะทําได้ทันทีนะนะพูดถึงเรื่องชายหาดพรุ่งนี้นี่เขากะเกณจะให้อัตมาไปเทศที่ชายหาดนะแข่งกระเสียงครึ่นอัตมามาวิเคราะห์ดูแล้ว มันไม่น่าไปแต่พวกคุณนี่ก็มองง่ายๆนะอย่างพวกอ่าอารมณ์สุนทรีอะไรเนี่โอ้ยจะได้เห็นคลื่นจะได้เสียงคลื่นจะได้มีโชวชช์ชความงามโชว์ความพิเศษของสถานที่ภูมิทัศน์ที่นี่มีอะไรแต่จะโชว์จะอะไรอยากอวดอยากอ้างนีน่อาตมาพูดความจริงนะไม่ได้ว่าอยากอวดอยากอ้างอยากให้พวกเราได้ทรับราบอาตมาว่ามันก็ดีนะมันก็ไม่เสียหายอะไรหรอก อแต่มันคลุกคลักมันทุรักษ์ทุเลอยากจะไปเห็นทะเลแต่มันจัดทุรักษ์ทุเลทุรักทุเลหลายอย่างถ้าพวกเราจะไปกันที่โ น, น่นก็ต้องเดินกันไปหรือไม่ก็ต้องขับรถนั่งรถกันไปบุมาไอ้คนไม่ได้มีรถมีราก็เยอะแล้วเดินไปเมื่อเช้านี่อาตมา ก, ก็เดินไปโอ้ไม่ถึงต้องขึ้นรถกลางทางไปแต่ไม่ใช่ว่าอาตมาจะอ่อนแอเดินไม่ถึงนะ อาตมาเดินถึงแน่อ่ามั่นใจอาตมามีกําลังวางชาอย่างแข็งแรงเดินถึงแค่นี้ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่ามันจะไม่ทันมาเทศตนเองเก้าโมงออกไปสายหน่อยแล้วก็เลยให้รถมารับกลางทางแล้วก็ไปโอ้โหมันทางงอกงักงกเงกีง้ยวไปที่จริงท่านเดินลัดอนรีสอร์ทเดินลนัดอะไรเข้าไปนิดเดียวก็ถึงแล้วฝทะเลแต่มันไม่ใชไม่มีทางเข้าไปมันก็ต้องไปตามถนนไปงี้มันนาน ใกล้ทุลักทุเลแน่นอนนะแค่นี้ก็ทุลักทุเลแล้วยังจะให้เครื่องมันไปเป็นถ่ายไปตั้งเครื่องตั้งอะไรนู่นอีกเห็นใจเขาบ้างดีอะแล้วฝนจะตกอีกก็อยู่ลุ้บอกมาเองว่าฝนมันตกทั้งตกหนักตกมากด้วยแล้วไม่บอกไม่กล่าวเวลาด้วยนะอาตมาว่าไม่เหมาะด้วยประการทั้งปวงนี่แค่เหตุผลไม่กี่อย่าง ไม่เหมาะด้วยมาการทั้งบวงเลยเพื่อนิดเดียวอะเพื่อโชภูมิทัศน์ได้ยันได้ยินเสียงคลื่นได้เห็นทะเลได้เห็นลูกคลื่นอะไรแค่นั้ น, นแล้วยังต้องไปเทศแข่งเสียงคลื่นอีกโอ้โหจะมายังรู้สึกท้อๆเลยเสียงคลื่นอ่าจะให้ไปอยู่ริมฝั่งทะเลให้คลื่นพุาา่งสาดออกมาให้เรียก ว, ว่าละอองละอองน้ําทะเลกระเซ็นมาถูกเลยนั่นอาจจะเอายังงั้นเลย โอ้ดังโครมกลุโมโครมเลยเนี่ยอาตมาจะต้องเทศแข่งเนีเสียงคลื่นด้วยอาตมาก็เลยพิจารณาแล้วหลายอย่างแล้วก็เห็นว่าเอานะเทศที่นี่แหละนะพรุ่งนี้อย่าไปเลยที่น่นนะมันจะไม่ใช่จะไปชมทะเลมันจะไปเจอทุลักทุเล <c oughs> นะอาตมาว่าเงินมากกว่านะวิเคราะห์วิจัยให้ฟังแล้วนะก็ขอขอค้านแยงตรงนี้ซะแ ล, แล้วกันนะจะได้ไม่ต้องเป็น เดี๋ยวก็ยังไม่ชัดเจนไม่ได้จะไปเตรียมตัวบริจาคค้างเติงอะไรคันนี่ก็เป็นการชชยอ น, นี้แล้วกันนะนั่นน่ะเมื่อชาวก็อาตมาไปนะก็ไปจริงๆแล้วอาตมาอยากจะให้ความรู้ทางด้านสัจจธรรมอีกอันหนึ่งคนยังชอบเที่ยวชอบชมอย่างกิเลสเอาจริงไม่ใช่เรื่องลึกซึ้งอะไรเราเรื่องจริง คนชอบเที่ยวชอบชมอ่าโดยเฉพาะคําว่าเที่ยวคํานี้เป็นคําไม่ดีของภาษาไทยมีภาษาเยอะคำหนึ่งเขาเรียกว่าผู้หญิงคนเที่ยวหมายถึงผู้หญิงอะไรดีหรือไม่ดีเห็นไหมคําว่าเที่ยวนี่เป็นคําไม่ดีและโดยสัจจค ก, ก็ไม่ดีมันไม่มีความจําเป็นที่จะพูดที่หมดกิเลสแล้วไม่เที่ยวหรอกไม่ได้อยากเที่ยวมันเมื่อยจะไปชมอะไร ก็รู้มดแล้วก็มีดินน้ำไฟลมมีอะไรต่างๆนั้นนาส่วนมากก็ไปเพอพกดูดินน้ำไฟลมดูพืชพันธุ์ยาหารดูอากาศดูต้นหมากรากไม้ตัสัตว์สิงสาราสัตว์ก็ไปดูพวกนั้นอะ่ะเพราะงั้พวที่ศึกษาดีๆหมดกิเลสแล้วมันไม่มันหมดความเที่ยวคำว่าเที่ยวมันไม่มีเพราะฉะนั้นใครๆมาชวยอาตมาเที่ยวนี่ขออภัยเถอะอาตมาไม่มีความเที่ยวแล้ว ไม่ได้เป็นคนเที่ยวแล้วแม้จะเป็นผู้ชายก็ไม่ใช่คนเที่ยวนะเพราะผู้หญิงระวังลดเที่ยวซะบัานะไม่ดีนะอา้าเอาว่าเลยไมโครโฟนไม่ลอยเป็นไงไม่มีเสียง มันไม่ดังเอาอันดงัดงๆมาทีอา่ามันไม่ดังก็เอาใครที่มีความรู้ความอา่าอันนั้นก็มาไม่อีกไม่ดงังอา่ารุ่นใหม่ก็ไม่ดงังอา่าดุลก่อนนี้ก็ไม่ดงังอ่ะดุนที่สองก็ไม่ดงังอ่าเอ า, เอาจนกว่าจะดงังอัตมาอ่านในนี้อีกมีม า, าใครจะเขียนมาก็เขียนมานะทั้งแห้งทั้งสดทําอย่างไรถึงจะเห็นทุกในวัฏสงสาร เพราะจะได้ไม่ต้องเวียนว่ายในกิเลสและในโลกนี้อีกครับจากคนโง่ผู้ที่รู้ตัวว่าเป็นคนโง่เนี่ยเป็นคนฉลาดแล้วผู้ที่ยังเรื่กว่าตัวเองฉลาดอยู่นี่ยังโง่อยู่นแต่ความจริงก็มีจริงนะผู้ใดที่มีความฉลาดแล้วเนี่ยเขาก็ฉลาดจริงแต่ไม่หลงคนที่รู้ความฉลาดแล้วก็ไม่หลงตัวว่าตัวเองมีความฉลาด ะก็จะรู้ว่าเอออันนี้มีมีได้แล้วก็ได้ไปก็ไปยึดติดว่าเป็นเราเป็นของเราฉลาดนะส่วนผู้ที่รู้ตัวว่าโง่นั้นดีเพราะคนเรามันจะหลงตัวว่าฉลาดรู้แล้วแต่มารู้ผิดผิดรู้ไม่จริงอยู่อีกเจยอะรู้ผิดรู้ไม่จริงดีเจอะแล้วก็หลงว่าถูกกว่าดีรู้ว่ารู้มากด้วยออ้าววิจารณ์ก่อนเขาใช้ดามแฝงมาว่าคนโง่ ทีนี้ถามว่าทำอย่างไรถึงจะเห็นทุกข์ในวัฏสรงสารคำว่าวัฏสรงสารนี่หมายถึงว่าความวุมนวัฏสรงสารหมายถึงความวนทีนี้คนเข้าใจวัฏสรงสารที่จะเห็นทุกข์ยากอยู่แค่นี้ก็ยากแล้วเพราะเป็นเนื่องว่าวัฏสรงสารคือการเวียนวนของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของโลก ของวัตถุของใครๆแต่ไขยๆวนเวียนไปเยอะแยะถ้าคุณจะไปดูความทุกขจากดินน้ำไฟลมมันวนเวียนโลกหมุนเป็นทุกหรือไปเห็นคนอื่นๆเหมือนอย่างคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าไปเห็นคนอื่นๆเป็นก้อนทุกนะ่ะอไปไปไปอ่านทุกขของคนอื่นไปเห็นทุกข์ของคนอื่นนะ่ะคนนี้ไม่มีทางจะพัพฒนาปฏิบัติทําให้พ้นวัตถะสงสารได้ องรู้วัฏะสงสารของจิตของเราทุกอยู่ที่จิตของตนเองทุกคนเพราะฉะนั้นจิตที่มันวนเวียนเรียกว่าวัตฏะสงสารอยู่นั้นะนะคือจิตมันวนเวียนอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป น, บนีป่วนยิ่งเกิดขึ้นเสพสุขแล้วก็เป็นทุกวนกับสุขกับทุกอย่างองนี้วนอย่างนี้สุขทุกข์คือเวทนา สามสุขเวทนาทุกเวทนาไม่ทุกไม่ไม่ทุกไม่สุขไม่สุขไม่ทุกสามเวทนาเนี่ยมันพักยกไม่สุขไม่สุขเป็นเคหะสิตะอุเบกขาเวทนาเป็นเวทนามโนปวิจารสิบแปดข้ออุเบกขาซึ่งอธิบายมาหมดแล้ว เกิดทุกข์สุขจากตาหูจมูกนิ้นกายใจหกทวานนี่แหละมันสัมผัสนะัมันก็เกิดสุขเกิดทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์สามอย่างเนี่ยแล้วก็วนอยู่อย่างเนี้ยนั่นคือคนวนอยู่ในวัฏฏะสงสารเพราะฉะนั้นผู้ที่เรียนรู้ทุกขในจิตใจที่มันมันจะต้องได้สุขที่เป็นโลกียสุขหรือเป็นเคหะสิตะสมนัตเวทนา ต้องอ่านความจริงอันนี้ความจริงของจิตที่มันเป็นอย่างนี้จริงเลยเป็นอาการสุขเมื่อมันได้บำบัดบำเรอจิตได้สมใจมันก็จะสุขไอ้สุขอันนี้แหละเป็นสุขแท้เป็นสุขขัิกะเทตมาอธิบายแล้วก็หาเหตุมันมเหตุของมันคือมันตัวอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากได้ยาพระเรียกว่ากามตันหาอยากได้อย่างหยาบ โลกนอกนี่แต่เป็นวัตถุธรรมลาบจดสันเรินอะไรพวกนี้หรือเป็นรสชาติเรื่ากามตาหูจมูลิ้กายสัมผัสแล้วก็เสพรสเป็นกามเป็นราคะมันก็อยากไน้าอย่างนั้นหรือบำเรออัตตาบำเรออัตตาตัวเองก็เรียกว่าอยากบัเรออัตตาตัวเอง อันนี้เป็นความอยากที่จะต้องอาศัยการสัมผัสเป็นความอยากที่หยากเป็นโอราริกรอัตตาหรือเป็นพบนอกเรกวาการรมมาพบก็ต้องเรียนรู้เหตุที่มันอยากอันนี้ในจิตตัวเองตัวตัวอยากตัวสมุทัยเนี่ยแล้วก็กำจัดตัวนี้ ก็จัดตัวนี้แหละมันมีสุขมันหลอกพอได้สัมผัสมันก็บันเทามันก็สบายมันก็สุขซึ่งเป็นสุขเท็จแต่ถูกแท้เป็นอริยสัจเป็นความจริงของผู้ประเสริฐเป็นอริยะจึงจะรู้ว่ามันจริงๆมันมันสุขหลอกมันมีเหตุจากเหตุปัจจัยนี่มันก็จึงสุขเพราะนั้นฆ่าเหตุดับเหตุหมดแล้วสิ้นทุกข์ก็ไม่มีสุขก็ไม่มีสุขก็หายไปทุกข์ก็หายไป สุขหายไปทุกข์หายไปนี่แหละคือหมดวัตะสงสารกลายเป็นไม่สุขไม่ทุกข์หรือเรียกว่าอุเบกขาที่ภาษาวิชาการเรียกว่าเนกขมะสิตะอุเบกขาเวทนานี่คือฐานแห่งนิพพานฐานแห่งนิโรธฐานแห่งนิมุติฐานแห่งความบรรลุธรรมเพราะฉะนั้นจะทําอย่างไรจะเห็นทุก ก็ต้องอ่านอาการทุกข์ให้เป็นอ่านตอนแรกก็ต้องอ่านตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสเป็นของหยาบสดๆซึ่งเราจมาอธิบายแล้วอธิบายอีกยามตอนช่วงหลังนี่อ่าในยุคตอนนี้เนะี่ยอธิบายมากเราตั้งใจฟังดีๆแล้วอ่านให้ถูกเมื่ออ่านถูกแล้วจับตัวทุกข์ได้แล้วตามเหตุแห่งทุกข์มันเกิดหยาก แท้ให้มันไปมันก็บันเทามันก็ถูกหลอกด้วยสุกเท็จใช่ไหมบำเรอมันให้มันมันก็สุกเท็จก็กรบเกลื่อนไปเรื่อยมันก็ไม่ได้จับตัวทุกทกทีไม่ให้มันแล้วก็ต้องบำบัดตัวนี้กาจัดตัวนี้เลยไม่ใช่บำบัดบำเรอมันแต่กาจัดตัวนี้เลยกาจัดมันตายมันลดละจางคลายมันตายสิ้น ทกในวัฏสงสารก็หมดสงสารหมดวัฏหมดความวุนไม่วนสุขวนทุกข์วนไม่สุกไม่ทุกข์สามสามจุดนี้อีกเวทนาถือว่าเวทนาดับเวทนาดับนี่ดับเฉพาะที่เป็นปรมัตัยอันนี้เจตสิกอันนี้ไม่ใช่ไปดับเวทนาแท้ที่เป็นเวทนาขัน ยังมีเวทนาขันกลุ่มของเวทนาองค์ประชุมของเวทนาอยู่แต่เวทนานี้สะอาดจากเวทนาที่เป็นอกุศลอกุศลเวทนาดับไปได้แล้วพราเวทนาขันสะอาดขึ้นหมดกิเลสหมดตัณหาอุปาทานเพราะจะได้จึงเป็นเวทนาที่สะอาดพ้นเวทนา เวทธนูประขันโทเวทอุปทานในขันพจนเวทธนูประขันโทอ้าวพจ น, นเวทนานะเมื่อพจนแล้วคุณยังจะต้องมาเรียนสังขารมันจะมีปรุงแต่งเสร็จอีกหรือไม่มีอุปทานอีกหรือไม่หรือสัญญาแม่ได้หมดแล้วละไม่มีสังขารไม่มีเวทเวทนาแต่คุณมีสัญญาตัวจิตของคุณสามารถที่จะ กำหนดรู้ได้ดีว่าเราหมดแล้วนะอุปทานของเวทนาก็ไม่มีอุปทานของสัญญาเอ้ของสังขารก็ไม่มีแล้วอุปทานของสัญญาเองละ่ะมันมีไหมแล้วมันจะยึดติดบันดีว่ารู้ว่าอะไรจ ะ, ะอินิกรายละเอียดที่สูงละเอียดขึ้นเขาอาตมาเขขอขอธิบายเพิ่มเติมไม่ฟังก็จะต้องมาเรียนรู้แล้วก็ล้างจึงจะหมดวัตถสงสารเพราะจะได้ไม่ต้องเวียนว่ายในกิเลส นะก็ถูกนะเพราะกิเลสถูกฆ่าถูก ด, ดับหมดในโลกนี้อีกครับนาละฉลาดขึ้นยังคนโง่ถ้าจะทีบายยาวไปจนก็นทั่งหมดเวลาในรายการนี้ก็ได้มันเป็นรายละเอียดของสัจธรรมของวิชาการเพราะนี่แหละเือนตัวเป้าหลักของศาสนาพุทธคือดับวัตถสงสารนี่แหละหรือดับทุกที่วนเวียนอยู่ยังเกิดแล้วเกิดอีกไม่รู้จจบ พักยกเท่านั้นเดี๋ยวมันก็เกิดใหม่ตัวใหม่เกิดใหม่ตัวใหม่อะไรอู้เยอะแยะมากมายอ้า่ต่อมาคนตั้งชื่อพาความจริงคนใต้คงจะให้พ่อคงจะหมายให้พ่อท่านพาหัวใจดวงน้อยโอ้โหโรแมนติกซะไม่เมีย ให้ผ่าหัวใจดวงนออ้อยของคนใต้กระมังคะว่าแม้แม้ระยะอะไรแม่คงเป็นระยะอาตมาดเดานะแม่เขียนวัดหน่อยแม่ระยะทางไกลก็ยังเคารพพ่อท่านหนทางเอาหนทางใช่ระยะแม่หนทางไกลก็ยังเคารพพ่อท่านอยู่เสมอ อยากให้ทุกๆภาคอยู่ใกล้ๆกันพ่อท่านจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลก็เป็นการฝันที่เป็นจริงไม่ได้อคุนจะไปย่นย่อเอาด้ามขวานนี่ย่นเข้าไปอยู่ที่ส่วนกลางให้มันหมดมันอยู่ภาคกลางให้หมดมได้ไงเอมันเป็นไปนไม่ได้แร้วฝันเป็นไม่เป็นจริงอย่าไปฝันฝันที่เป็นไปจริงไม่ได้อ่า แม่มันจะต้องอยู่ไกลอยู่อะไรกันได้ถ้าปวดใส่ใจทุกวันนี้นี่บอกแล้วว่าสื่อสารนี่มันโคบไลมันสื่อสารนี่มันไรอะไรไรกําแพงไรสิ่งกั้นฟ้าบอกกั้นนะทุกวันนี้เนี่ยสื่อสารมันได้ทลุหมดดูซินี่อัตมามานี่คนผูเก็ตมาถึงโอ้แม่เห็นตัวจริงเห็นตัวจริงเ อ, อพ่อท่านนี่ดูทุกวันดูทุกวัน อได้ข่าวว่าพระท่ามาดีบมากระใหญ่หมดเยอะแน่าพวกคู่เกศมาเยอะน่าก็มาบอกมารายงานตัวมาอะไรจะอยู่เยอะน่าขอถ่ายรูปไปด้วยก็เยอะแนะอ่อาตมานี่เป็นดาราแล้วนะมีคนขอถ่ายรูปด้วย <c oughs> น่ก็จะทําไงอ่ะนะหัวใจน้อยๆอยาตมาก็ไม่รู้จะไปรู้ได้ยังไงจะจะผ่าได้ยังไงนะา ที่พูดมาเนี่ยอาตมาก็ยังไม่รู้อีกเหมือนกันแล้วว่าอาจะให้พ่อท่านผ่าหัวใจน้อยๆดวงน้อยนี่มันจะเป็นยังไงอาตมาก็ยังไม่รู้อีกแหะ อ, อ, อ่าอเอออาตมาไม่รู้จริงๆนะเพราะงั้นใครเห็นว่าหัวใจน้อยๆเป็นยังไงช่วยอธิบาย ข, ขยายความให้อาตมาหน่อยอาตมาจะได้ผ่าถูกเหมือน่ะบอกมาเหมือนมะรูปมะเขืองี้อาตมา ก, ก็จะได้ผ่าได้อาตมาไม่รู้ ไม่รู้รูปร่างตัวตนของอันนั้นนะอ้าวต่อมาเมื่อมีคนละเมิดในทรัพย์ของเราเราควรตั้งจิตวางใจของเราอย่างไรอา่าเดี๋ยวค่อยตอบนะอ่านให้จบก่อนนอกจากใช้เมตตาแล้วนะเราจะแก้ปัญหาการถูกละเมิดทรัพย์นั้นอย่างไรอา้าวตอบ มันต้นนะมีกฎกฎหมายมีคือมีปแปลเพราะนั้นถ้าเขามามละเมิดทรัพย์เราก็บอกกฎหมายบอกผู้ที่จะมีหน้าที่ถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่ก็บอกนะมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบที่จะรับฟ้องรับรายงานคนมามละเมิดทรัพย์ของเราถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโต ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ใหญ่เป็นเรื่องที่อยู่ในเป็นเรื่องที่บอกว่าเออบางทีก็อยู่ในครอบครัวก็ไม่น่าจะไปฟ้องศาลไปฟ้องตำรวจอะไรเงี้ยก็ทําตามควรหรืออยู่ในที่ที่ไม่ควรจะไปถึงขนาดนั้นขนาดนี้ก็บอกผู้ใหญ่บอกผู้กรรมการชุมชนหรือบอกอะไระอะไรขึ้นไปนั่นเป็นการแก้ที่เขาละเมิดนด้วยมเมตตาด้วยมเมตตาคืออย่างไร ไปบอกความจริงตามความจริงอย่าใส่ไขอ่ออย่าอคติความจริงอย่างไรว่าเข้ามาละเมิดของเราอย่างไรอะไรอย่างไรอย่างไรก็บอกให้รู้ความจริงเรว่ารายงานรายงานความจริงไม่ใช่ไปฟ้องฟ้องกัรายงานความจริงนี่ต่างกันแต่ฟ้องนี่ก็คือพูดด้วยอารมณ์พูดด้วยความไม่ชอบใจความอ่ามันมันมันมันมีอะไรที่ผสมผสานลงไปอ่าแล้วยิ่งเรื่องน้อยก็ไใส่ไข่เพิ่มอ่า เรื่องราวผสมผสานอะไรขึ้นไปไม่ตรงความจริงทีเดียวลำเอียงไปอีกก็ยิ่งไปกันใหญ่ส่วนการรายงานความจริงนั่นก็คือไปบอกเรื่องราวที่จริงให้เขาทราบว่ามันไม่ถูกต้องอย่างนี้มันไม่ดีอย่างนี้ช่วยดูช่วยตัดสินช่วยดูแลหรือว่าช่วยจัดการอะไรไปนี่คือแก้ปัญหาในระดับที่หนึ่งการถูกการถูกละเมิดทรัพย์าทีนี้ใน ในใจที่ถามมันต้นแบบว่าควรตั้งจิตวางใจของเราอย่างไรเนี่ยอันต่อมาเป็นอันต้นถามมันแรกก่อนควรตั้งจิตตั้งใจอย่างไรใจของเราเราก็ต้องรู้ความจริงตามความเป็นจริงเออเขามาละเมิดสิ่งที่ไม่ใช่สิทธิของเขามันไม่ถูกต้องมันไม่ดีเราก็รู้ความไม่ดีถ้าเผือว่าเออจะถือสาระแบ่งไปเถอะเขามาละเมิด พอเป็นพอไปแต่ถ้ารู้ก็มีเวลามีโอกาสจ็ใช้ศิลปะเตือนกันบอกกันอย่าทําซี่อย่างนี้มันไม่ดีอะไรอะไรก็ว่ากันไปหรือเราจะให้ใครที่สามารถบอกให้เขาสอนให้เขาว่ากล่าวตักเตือนได้ก็ควรทำนะมันเขาจะได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนะใจของเราก็ต้องรู้ถ้าให้จริงลึกซึ้งขึ้นไปอีกทําใจอย่างไร ก็ต้องปล่อยวางอของนั้นถ้าเปิดว่าเราเองเข้ามาละเมิดไปแล้วมันละเมิดเออมันก็เพลอไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรได้ก็ปล่อยไปเสียสละไปเอก็ไม่ต้องถือสาอะไรแต่ถ้าเผื่ว่ามันเป็นของสำคัญเป็นเรื่องที่เดือดร้อนเป็นเรื่องที่คุณทํางานก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่จะต้องใช้ต้องสอยจําเป็นอะไรอีกทีอ่านแน่นอนคุณเดือดร้อนอย่างนั้นคุณก็จะต้องจัดการแต่ไม่ต้องร้อนใจ เราก็ต้องรู้ว่าคนไม่ดีทําความไม่ดีก็เป็นบาปของเขาเองแล้วถ้าเราร้อนใจเราก็ร้อนใจน ะ, นะถ้าเผือว่าพิจนารณาแล้วอย่างที่อาตมาอธิบายไปคร่าวๆเ อ, อื่อของนี้ก็เอามันก็แบ่งกันกินกันใช้นะแต่เขาไม่ดีก็จะแก้ไขช่วยเขายังไงก็ทําอย่างที่พูดไปแล้วอ่าและทองนี้ก็ไม่ไรหรอกแบ่งกันไป แต่ว่าแก้ไขคนที่ไม่ดีก็ช่วยกันบ้างอบาปไปถ้าปล่อยปละละเลยคนไม่ดีนักเขาทําแล้วเราก็เฉยทําใจวางได้ด้วยนะอยเออช่างมันเถอะแล้วก็ปล่อยด้วยคนไม่ดีก็ปล่อยไปเลยปล่อยเข้าไปบางครั้งบางครา ว, บ า, ราวบางกาละบางโอกาสหรือบางอย่างบางทีก็อาจจะวางอาจจะปล่อยได้นะแต่ก็ไม่ควรที่จะปล่อยจริงเขาทําเสมอแล้วทำหยากทําทแรงทำที่ไม่ไม่น่าจะทําก็ต้อง จัดการต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะให้มันดีขึ้นแก้ไขได้อ่าแต่เพร า, าพออารมณ์ได้พอผ่านไปก็ว่าไปไม่ต้องมากนักมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ของก็ไม่ได้มากเลยไม้ของก็ไม่อะไรสำคไม่อะไรต่างๆอันนี้เป็นต้นแต่ทั่งยังองก็ตามการลําเมิดเอาของคนอื่นนะั้นมันมันผิดผิดคุณงามความดีผิดศีลข้อข้อสองอย่างแท้จริงมันไม่ดีสะสมความไม่ดีงนี้ จะลอน้อยจะเล็กก็ไม่ดีอจะน้อยจะเล็กก็ไม่ดีมันไม่ดีอยู่จริงนะเพราะงั้นก็ประมาณเอาก็าคนจะทําขนาดใดแค่ใดอต่อมาบอกว่าปัญหาของคนใต้ที่เรียกว่าฉลาดปัญหาของคนใต้ที่เรียกว่าฉลาดอะดีนี่พยายามเอาหัวใจของคนใต้มาตอตอบผ่าความจริงของคนใต้เอาความจริงของคนใต้มาเนี่ยอย่างนี้เสนอมา ถูกเป้าปัญหาของคนใต้ที่เรียกว่าฉลาดเนืเชื่อคนยากวิจิกิจฉายานี่บอกความจริงนึ้เนียบอกหัวใจคนใต้มาให้รู้นะเดี๋ยวจะได้ผ่ากันตรงนี้ <c oughs> อย่างนี้ดีเข้าเรื่องเ ข, าเ ข, าเขา้าเข้าหนึ่งเชื่อคนยากสองวิกิจิฉายเยอะสองรู้มากไม่ใช่สองเขาเขาเขาเขียนมาข้อเดียวกัน เชื่อคนยากกับวิจิตรคิาเยอะนี่ที่จริงมันน่าจะสองข้อเขาเอามาข้อเดียวกันไม่เป็นไรเด็ก อ, อัตมาอธิบายไปเลยมันเป็นข้อก็ไม่เป็นไรมันเป็นคนลประเด็นอยู่แล้วอต่อมาสองคนหนึ่งเขาเชื่อคนยากกับวิจิกิจฉชายเยอะต่อมารู้มากแต่ไม่ทราบว่ารู้จริงหรือเปล่านี่ก็เป็นประเด็นสองประเด็นเหมือนกันรู้มากแต่ไม่รู้ว่าเชอรู้จริงหรือเปล่านะ สามรู้ตัวกันในบ้านตัวเองยากออรู้ตัวกันในบ้านตัวเองยากเพราะต่างคนต่างเก่งอ้อรวมรวมขอไอปแม่เก่งเก่งมากอาตมานี่แม่เขาเขียนรวมมาแท้ๆยังไปอ่านรู้ได้ยังไงน่มันพระพามาจากข้อต้นว ร, รู้มากว่าเลยมนรู้ตัวกันนะรวมตัวกันในบ้านตัวเองยาก รวมตัวในบ้านกันตัวเองอยากไม่อันนี้ค็จริงจิงจ้งเลยน ะ, ะเพราะง้นเนี่ยชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยมันมันมจะมนรวมเลยบ้านใครบ้านมันรูใครรู้มันทั้งนั้นนี่ใช่นะรวมตัวกันในบ้านตัวเองยากเพราะต่างคนต่างเก่งแต่ถ้าอยู่นอกถิ่นจะสามคัคคีเอาพักเอาพวกนะถ้าอยู่ต่างถิ่นจะสามคัคคีเอาพักเอาพวกถาม ตกลงคนใต้ฉลาดโง่หรือปัญญาถามฉลาดโง่หรือปัญญานะแล้วจะแก้ไขอย่างไรนะใช้นามแฝงมาว่าคนใต้โคลนอนคนใต้โคล น, นเขาเขาอาบโคลนนะ เพื่อล้างพิษเนี่ยเขาก็ได้ทำกันวิธีหนึ่งเหมือนกันนะวิธีอาบโครนอ้อาวไล่ไปเชื่อคนยากจริงๆแล้วนี่นะการอย่าพึ่งเชื่อใครง่ายนี่มันก็ดีอยู่อย่างเหมือนกันอย่าพึ่งเชื่อใครง่ายมันก็มีประโยชน์ ถ้าหลงเชื่อใครง่ายนี่มาเสร็จหมดตระตูเขาจูงจมูกไปเสร็จทุกวันนี้มันยิ่งรอดอยิ่งรอกยิ่งจูงจมูกกันเก่งแล้วก็กลายเป็นบริวารกลายเป็นลูกเบีย้ยกลายเป็นลูกน้องกลายเป็นผลพัก์ของเขาเอาไปใช้งานใช้ประโยชน์เยอะเป็นวิธีการของมนุษย์าติรู้ดีแล้วก็ทํากันมาจตไหนแต่ไรนะเชื่อคนยากแต คุณจะต้องใัญญาจริงๆนะที่ถามมาเชื่อคนยากก็คงเพราะวิจิตรฉาเยอะนี่เป็นข้อเดียวกันข้อหนึ่งเชื่อคนยากวิกจิตรฉาเยอะวิจิกิจฉาหมายความว่ามันคล่องอ่าเรื่องมากเพราะงั้นคนที่คล่องใจสงสัยนี่เก่งๆนี่ก็คือ ไอ้ที่ถามกันหลังเนะ่ะจกลงคนต้ฉลาดโง่หรือปัญหกหรือปัญญาตอบก็คือโง่วิจิกิจชาเยอะนี่คือคนโง่คนวิจิกิจชานี่คือคนวิตกกะจริตชาหนึ่งปัญญ า, าสองศรัทธาสามวิตกะจริตวิตกะคือมันไม่ทิไม่แน่ไม่นอน พิจิกิจชไปมาอยู่ในวิตกกะนะขบคิดไปขบคิดอยู่นั่นกะไปตรองไปขบคิดอยู่นั่นไม่มีตัวตัดสินไม่มีตัวรู้ชัดรู้เจนรู้จริงก็จริงฟังคนคนนี้ไม่ต่างไปจากคนโง่หรอกก็มันยังไม่รู้ความจริงสักทีเสีเวลามากจักจริตเนี่ยนะพุทธจริตนี่ก็เร็วศรัทธาจริตก็รองลงมาอ่า มันมีตัวอย่างว่าถ้าพุทธิจริตหรือปัญญาเนี่ยใช้เวลาปฏิบัตริทรมให้บรรลุเป็นพูะเจ้าเนี่ยใช้เวลาแค่ยี่สิบแสนอสงไขยมหากรบอ ย, อย่าไปคูณ น, นะว่าอสงไข่มีนอสงไขมหากรบยี่สิบ 20. เอาตัวเลขยี่สิบดีกว่าส่วนศรัทธาจริตนั้นสี่สิบอสงไขแสนสี่สิบแสนอสงไข คือมัอนือนสองแสนล้านอะไรเงี้ยนั่นแหละ ม, มันมันแสนนี่อยู่มันไม่ได้มีตัวตัวข้างหลังตัวเดียวอสองขัยตัวเดียวมันยังมีตัวแส น, นอีกสี่สิบถ้าวิตก จ, จรดิตแปดสิบแล้วไม่ถือว่างโง่ยังไงมันนานกว่าเขาจะโอ้โหมันนานกว่าเขาตั้งมันต้องกี่ต่อนะ วิจิตรชานี่คือคนที่ไม่พยายามที่จะเจาะลึกเรียนรู้ให้มันถูกต้องเป็นเรื่องๆไปนคนวิจิิจชานี่ไปรู้มากไปคิดมากไปหลายเรื่องหลายเยอะมันก็เลยสับสนปนเปเยอะแยะกลายเป็นคนรู้มากแต่ไม่รู้อะไรสักอย่างรู้มากแต่ไม่รู้อะไรสักอย่าง พราะจะน่ระวังตรงนี้คนที่ไม่รู้อะไรมากๆเขาเชื่อคนยากจริงๆแล้วเชื่อคนต้องเชื่ออย่างน้อยเราเชื่อศาสดาเชื่อผู้ที่เคารพนับถือเชื่อผู้ที่เราตัดสินไช้เราจะโง่จะฉลาดเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็พยายามรู้ว่าเออผู้นี้น่าเคารพน่าจะเชื่อถือได้ก็เชื่อทันสมบ้างก่อนเป็นระดับหนึ่งแต่จะไปปักใจมั่นทีเดียว เท่า น, นั้นเองเหมือนพระเจ้าท่านไตรไในกาลามาสูตรนะไม่นับถือแม้แต่คนนี้เป็นครูของเราแต่เชื่อครูซะเลย ก, ก็ไม่ได้ถ้ารับถือเป็นครูแล้วคนนี้เออจะเป็นครูเราได้อควรจะเป็นก็เชื่อถือบ้างแล้วศึกษาตามให้ดีอโดยเฉพาะศาสนาพุทธท่านสอนเป็นลําดับอยู่แล้วเมืองต้นทากลางมันปลาย ไม่ใช่จะรู้เปละไปหมดเลยเยอะแยะจกนกระทั่งโอ้ยนั้นก็รู้อันนี้ก็ ร, กรู้แต่ไม่รู้อะไรสักอย่างไม่มีจบมัน ไ, ไม่มีสิ้นไม่มีสุดท้ายพอแม่ตะพูดรู้อะไรจริงแล้วสุดท้ายจบแล้วมันก็ไม่มีการสงสัยไม่มีวิธีกิจชาอะไรเลย น, นี่ก็อธิบายความจริงให้ฟังเท่านั้นพวกเราฟังแล้วก็ไปปฏิบัติเอา มันจะกลายเป็นคนเชื่อคนอยากแล้วก็วิจิกิจฉาเต็มกระบุงอยู่างนั้นตลอดกาลนานก็อาตมาสรุปแล้วสามมันเป็นธรมนะสองรู้มากแต่ไม่ทราบว่ารู้จริงหรือเปล่าต้องพิสูจน์คนจะรู้จริงเนี่ยต้องพิสูจน์ตนเองโดยเฉพาะความจริงขั้นปรมตาที่อาตมาพูดมาแล้วตอนตอน้นขยายความมาแล้วต้องเรียนรู้ปรมัตนเนี่ยจะรู้ความจริงและจบ ถ้าสมมติทีสัจจะไม่จบเพราะวนสมมติทีสัจจะไม่มีจบวนอเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาอันนี้จงังวนเวียนไม่รู้ไม่เที่ยงไม่แท้วนเวียนโปนไปวนมาบางคนนี่เป็นเป็กลับกับไม่รู้กี่ล้านกลับแล้วก็วน ไ, ได้เป็นเช่นอย่างนั้นน่ะไม่รู้กี่ล้านกลับลก็วนมาอีกทิ้งไปนานไปตั้งไม่รู้กี่ล้านกลับแล้วกลับวนวนตรงนี้อีกไม่จบเพราะต้องเรียน ปรมาณเรียนให้จบด้วยรู้ที่ทะลุแต่ละเรื่องโดยเฉพาะที่มันยังวิจิตรฉาหรือมันยังเป็นสิ่งที่จะไม่สมบูรณ์ก็คือกิเลสความไม่รู้จริงเพราะล่างกิเลสแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องไปกิเลสมันหมดไปหมดไปหมดไ ป, ดไปก็รู้หมดผู้เป็นอรหันต์คือผู้รู้หมดนี่ไม่ใช่ว่ารู้หมดทั้งโลกอะไรอะไรก็รู้หมดนี่คือคนเดาเดาว่าอารหรนันต์นี่อะไรก็ต้องรู้ ไม่รู้อะไรไม่ได้จะไปเป็าานอรหันต์น้มันต้องรู้ทุกอย่างไม่จริงเงื่อนไขหลักของอราหันต์ก็คือรู้กิเลสของตนหยาบกลางละเอียดและดับกิเลสของตนหมดพูดดับได้หมดเกลี้ยงไม่เหลือกิเลสเลยหยาบกลางละเอียดเกลี้ยงสิน้นแม้จะไม่ปราดเปรียวไม่ฉเฉลียวฉลาดไม่โปกไม่รู้อะไรเหมือนคนซื่อเสอ แต่รู้กิเลสตนเองค่ากิเลสตนเองหมดจริงนันอรหรันต้องรู้นิยามความเป็นอรหันต์ให้ชัดไม่เช่นนั้นมันพลาดมันผิดไปเข้าใจคนแปลเฉลียวฉลาดปาดเปียวรู้อะไรทู่กไปหมดรู้อะไรเจ้าไวไวเร็วรู้กว้างรู้มากรู้ครบรู้กว้างโลกนึกว่าเป็นอรหันต์หรือว่าเป็นอริยะนึืว่าเป็นคนเจริญเปลาดีไม่ดีนิตกตจริต ที่วิจิกิจชาเชื่อคนยากอัตตาโตอย่างนั้นด้วยนะเพราะฉะนั้นรู้มากเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านไม่สอนให้รู้มากแต่ให้รู้จริงมาเรู้จริงเรียนรู้กิเลสตัวเองเป็นหลักพอรู้เป็นอรหันต์แล้วทีนี้คุณจะเรียนต่ออะไรอีกเรียนโลกต่อเขาเรียกว่าโพธิสัตว์เรียนอันอื่นที่ตัวเองไม่มีไม่มีอะไรไม่มีกิเลสเรียนง่าย เพราะคนไม่มีกิเลสเนี่ยมันก็จะไม่ติดไม่ยึดมันก็จะไม่อําลำเอียงไม่อะไรต่อะไรต่างๆนานามันจะเรียนง่ายมันจะเรียนได้เร็วเพราะฉะนั้นต้องเรียนลําดับนี่ถูกต้องก่อนมันรู้อันนี้แล้วมันก็จะสามารถที่จะเรียนรู้อะไรได้เร็วขึ้นอ่าเพราะฉะนั้นครัที่บอกว่าแต่ไม่ไม่ทราบควารู้จริงหรือเปล่าเนี่ยมันจะรู้จริงก็คือจะต้องเอาความจริงตรง น, นี้แหละเป็นความจริงขั้นปรมัาจิตจักเป็นความจริงขั้นสมบูรณ์ เมื่อพ้นประมัติสัจจะแล้วสมมุติทสัจจะเนี่ยพระอาหารหันตุกองค์ก็จะมีสัปุปริสธรรมมีการประมาณได้อนุโลมปฏิโลมกับคนอื่นได้พอสมควรและท่านไม่ติดยึดตัวตนท่านจะไม่ประมาทหรือจะไม่เอื้อคนอื่นท่านจะระมัดระวังมากพราะเกความผิดพลาดและยิ่งท่านเป็นอาหารหันต์เนี่ยนะท่านรู้โลก เช่นอรหันท them, ี่ไม่ค่อยฉลาดอรหันที่รู้โลกไม่กว้างรู้โลกไม่เก่งท่านยิ่งจะรู้ตัวเองเพราะอรหันจะมีอัตตานิสตาจะรู้ตนเองเราประมาณตนเองเป็นอรหันแล้วเนี่ยและท่านจะจะไม่มีกิเลสว่าอวดดีอวดเก่งอวดไม่มีมีแต่จะนอยไว้เพราะฉะนั้นอรหันเนี่ยจะไม่อวดดีไม่อวดเก่งอรหันไม่อวดเก่ง แต่อรหันที่เก่งท่านก็มีเก่งแสดงอรหันที่ยังไม่เก่งท่านจะไม่อวดเก่งไมอวดเก่งเพราะว่าท่านไม่มีกิเลสที่จะไปอวดเก่งทําไมนะพอเข้าใจเนื้อนึกออกถ้าไม่มีจริงๆไม่มีกิเลสตัวตนที่จะไปอวดเก่งอวดดีอวดเด่นอะไรถ้าไม่มีไม่มีท่านไม่อวดหรอกเพราะว่าท่านจะทํางานกับคนท่านจะประมาณทำตนไว้น้อยไว้ อย่างที่อาตมาบอกแล้วว่าถ้าไปประมาณแล้วว่าเสี่ยงนะอันนี้เขาไม่ทำหรอกท่านไม่ทำหรอกเพราะว่าจะทําไปทําไมมันมันมีจะเสียเสียแล้วแล้วท่านก็ไปต้องการได้อะไรด้วยถ้าได้จะทําก็คือเป็นประโยชน์แกผู้อื่นแต่ถ้าทําแล้วเสียประโยชน์ผู้อื่นตัวเองก็เสียตัวเองก็ประมาทผิดผู้อื่นก็เสียทําไปทําไมอเพรา ะ, ะโดยสัจจักผู้ที่เป็นอรหันต์หรือผู้ที่รบรรลุธรรมแล้ว จะไม่ทำจริงๆมันเป็นสัจจคของมันไม่ใช่ว่าต้องไปบังคับไม่รู้ว่าต้องไปใช้เหตุผลอะไรไม่ต้องใช่เหตุผลมันเป็นสัจจะเลยนะผู้นั้นจันจะไม่ทำสรุปแล้วก็คือรู้ปรมาจาสัจจะให้ดีไปตามลําดับแล้วคุณจะรู้คมจริงจะมากหรือรู้มากหรือไม่มากอย่าไปกังวลอย่าไปกลัวตนเองเป็นคนไม่รู้มากให้รู้จริงเมื่อรู้จริงแล้ว ต่อไปคุณจะรู้มากไปอย่างดีแต่ไปรู้มากแล้วไม่รู้จริงนี่เละนละเยอะทุกวันนี้เนี่ยการศึกษาทุกที่สอนให้รู้มากแต่ไม่รู้จริงแม้แต่ในวงการาศาสนาแม้แต่ในวงการาศาสนาให้สอนไม่ให้เป็นด็อกเตอร์ให้เป็นอาจารย์ให้เป็นผู้เผยแพร่แต่ไม่สอนไม่ให้ตัวเองรู้จริงกิเลสตนให้ตนเองหมดก่อน ไม่ทําคุณอ น, นสมควรก่อนแล้วสอนผู้อื่นจึงมัวหมองพระพุทธเจ้าสอนว่าทําคุณอ น, นสมควรก่อนแล้วสอนผู้อื่นจักไม่มัวมองเพรา ะ, ะผอการพูดไปทํากับปฏิบัติขัดแย้งพอะพุทธเจ้าสอนมันถึงมัวหมองเห็นเนาศาสนาพ ม, มัวมองหมดเพราะไม่ทําคุณอ น, นสมควรตนเองก่อนแล้วก็เลยจะสอนคนอื่นอวดเก่งอวดดีรู้มากรู้มาอ้ แล้วได้ลาบได้ยศได้สันเสริญได้อะไรก็เลยลงไปใหญ่เลยติดยึดไปเลยนั้ก็เลยไม่บรรุทองบรรุธรรมบรรุธรรมอะไรก็เข้าไปนะเาที่นี้ข้อสามบอกว่ารวมตัวกันในบ้านตัวเองยากเพราะต่างคนต่างเก่งจงดีก่อนเก่งอย่าไปเก่งก่อนดีนะดีก่อนเก่งอย่าไปเก่งก่อนดีนะ ดีคืออะไรดีคือพยายามเรียนรู้ตนเองเรียนรู้กิเลสเรียนรู้ปรมัตสัจจะนี่ให้ดีคุณเรียนรู้ปรมัตสัจจะจะรู้จักสมมุติสัจจะแต่ถ้าคุณไปเก่งไปรู้สมมติสัจจะนี่คุณจะไม่รู้ปรมัตสัจจะแล้วคนทุกวันนี้ไปเรียนสมมุติสัจจะรู้ข้างนอกรู้อื่นใดรู้ความรู้ความเฉลียวฉลาดรู้อนนู้ีกปเจอะแล้วเอาไปเป็นเครื่องมือในการที่จะทําเวรทํำภัยทําบาปทำกรรมอยู่ในโลกเพราะกิเลสของคุณ มันไม่ไว้หน้าคุณหรอกเมื่อคุณมีเครื่องมือที่จะโลบโมโตสันเอาเปรียบเอารัดคนอื่นได้มีเครื่องมือดีๆเก่งๆฉลาดฉลาดได้เปรียบเขาคุณทํากิเลสของคุณมันไม่ไม่ไม่ไม่รอรีหรอกมันไม่ได้จยุดยั้งเพราะเราสาคัญต้องมาล้างกิเลสออกแล้วเราจะไม่ต่อไปมันไม่มีกิเลสแล้วต่อให้คุณมีเครื่องมือเก่งเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะเพราะการที่ ทำคุณธัรมสมควรก่อนแล้วค่อยสอนค่อยเผยแพร่ค่อยอธิบายนั่นแหละเป็นเจริญที่สุดถ้าทําอย่างนี้ได้การรวมตัวกันก็จะง่ายขึ้นยิ่งไปหลงเก่งแล้วก็รวมตัวกันยากอย่างที่พวกคุณพูดมานะี่ยว่าชาวใต้เป็นอย่างนี้เพราะเกณฑ์ต่างคนต่างเก่งฉลาดแต่ฉลาดตัวนี้พราสัภาษาบาลีว่าเชโกไม่ใช่ปัญโย มันฉลาดที่มีกิเลสบงการมีกิเลสเห็นแก ต, ตัวใต้เห็นทนะคาคารเบ่งอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเองมันเป็นจริงมันมีสัจจของมันมันเป็นสัจจของมันเพราะฉะนั้นก็รู้จุดบอดหรือว่าจุดบกพร่องของเราเ น, นี่บอกได้ก็พอพอเข้าใจว่าคนใต้เนี่ฉลาดเก่งถือดีถือตัวอย่างที่ว่านี่นะอาจารสรุปก็แก่สิ แก่ปมด้อยสินี่เป็นผมด้อยนะไม่ใช่ปมเด่นแต่คนผมด้อยเป็นผมเด่นสวยสวยนะจ๊ะเป็นห่มผมด้อยเป็นผมเด่นเนื่อว่าตัวเองี่ฉลาดเฉลี้ยวเก่งแล้วมาถือดีถือตัวอยู่โดยไม่รู้ตัวไม่แก้ไขตนเองจริง่งมองเพินเหมนมั น, ม, นมันเดนแต่ความจริงสักจากลึกๆมัน ไม่ใช่ด้อยนะจ๊ะมันด้อยวะเอ้ด้อยวะไม่เข้าใจว่าเด็กจ<อ>ะตายตายกราบพระท่านครับเนี่ยกราบพระท่านครับอ่าเอ า, เอาผมไม่ร่มครับเอาเอาว่าไปเลยพอดีพอดีหมดประเด็นกราบพระท่านครับผมเอาเชิญก ร, ราบได้ครั้งละในฐานะคนปากใต้เออแล้วก็อายุก็ มากพอสมควรแล้วคนสมัยโบราณนะครับคนใต้เนี่ยจะรักพี่รักน้องรักเพื่อนรักฝูงรักหมู่กลุ่มมากมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแต่คนใต้เนี่ยต้องการผู้นำที่จริงใจเพราะท่านบอกอง ใ, ใจใบตรีผมรึงเข้าไปคนปากใต้ทำไมชื่อปากใต้ ก็จุดใต้แล้วปักคนปักใต้มีไอนั้นมาตั้งแต่เขาบอกทิศมีสอบอกร้ครับเพราะว่าปักใต้เนี่ยเป็นแล้วคนเอาไปปักเนี่ยเป็นคํากริยาปักนี้ใช่ครับปักใต้รู้เพราะว่าใต้เนี่ยถ้าเราสืบสาวทางประวัติศาสตร์แล้วปักใต้เนี่ยเป็นประเทศไทยที่โบราณการที่สุดตั้งแต่กรุงพนม อยู่ที่สุราษฎร์ธานีมีกระสัถึงสี่สิบกว่าพระองค์มาถึงชัยยาที่หลังพระเจ้าอู่ทองย้ายมาทีชาา่ชัยยาชัยยามีกระสับถึงสาิบเก้าพระองค์ก็ไม่ใช่เล่นเพรา ะ, ะนั้นคนปากใต้เนี่ยเขาไม่ต้องการคนที่พูดปากหวานก้นเปรี้ยวคนปากใต้อย่างผมรักพอทันก็เพราะเหตุนี้ คนปักใต้บอกว่าต้องการคนที่จริงใจพูดจาผงผางรถอาหารก็เผ็ดร้อนจริงจังใจไม่จริตมายาหรือใช้หางหูหางตาเนี่เขาไม่ชอบใช่หัวตาไม่รู้ใช่อะไรเลครับพระท่านแต่ถ้าใช้หางหูหางตาเขาไม่ชอบแต่ชา้ายอัด ต, ตาโอเคเขาชอบมากแต่ไม่ใช่กิเลส อัตตาแต่ไม่ใช่กิเลสต้องชัดเจนว่าเขาเป็นใครแล้วให้ชัดอันนี้เลยครับคนปากใต้จะเป็นคนลักษณะอย่างนี้ตามที่ผมเข้าใจมาแล้วอีกอย่างหนึ่งคนปากใต้เนี่ยเขาอ้ า, อ า, นานเนี่ยไฟมันตกศาสนาจริงแล้ ว, วมันเข้ามาทางนครก่อนอื่นใดทั้งหมดในประเทศไทยนะครับ ถ้ามาทางนัรศรีธรรมราชตั้งแต่สมัยกะลิงบางกะลิงตั้งแต่สมัยกะลิงมณฑ์จากรัฐกะลิงภาคใต้ของอินเดียทีนี้ศาสนาต่มาต่อม า, อมาเข้าเป้าทีเสื่อมถอยเราจะถามอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะปัญายประวัติศาสตร์ยาวแล้วอะ่ะเดี๋ยวก็พท่านจะเสือ่อมศาสนาจะเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆทีนี้หนังตะลุงนี่แหละเป็นตัวเปิดโปงขึ้นมามันจะยาวนะเนี่ยไปถึงหนังตะลุงนะเ๋วไอ้เท่งก็ออก มันมันจะยาวไปนะเ น, นี่เออ้าวสรุปเข้าเป้าสรุปเข้าเป้าว่าคนปักใต้มีความจริงใจมีความซาบซึ้งตรึงใจในมิตรหมู่กลุ่มอย่างนี้แต่ขออย่างเดียวเท่านั้นแหละ อ, อ, อ, อวาอา่าแล้วเาองมีความจริงใจตอบแทนต่อคนปักใต้เออพูดจากันตรงตรงไม่บิดเบือนบิดเบี้ยว แค่นั้นแล้วก็พอคนใต้ไม่มีปัญหาอะไรครับตรวเราไม่มีคาตอบเพราะคุณพูดแล้วตอบเองเสร็จครับผมอันนี้คือคือผมคุณพาเองเสร็จคนใต้ต้องการอะไรก็บอกแล้วสรุปแล้วอาตมาก็ไม่รู้จะตอบอะไรก็เห็นเพราะท่านตอบว่าคนปากใต้เนี่ยอะไรอ้าวหรือว่า ก็อธิบายไปแล้วอ่ะเห็นั้มเห็นไหมเนี่ยตาขึ้นแล้วเนี่ยพูดแล้วก็เมือโง่หาว่าโดนว่าโง่มถ้าคุณจะฉลาดอัตมาก็ว่าคุณไม่ได้ถ้าคุณฉลาดแล้วอัตมาไปว่าโง่กับพิษไม่ใช่คือมีปัญญาเป็ว่าเชโกก็เมือโง่กันนะครับอ่านก็ถูกแล้วก็เขาตอบกันเองอัตมาพูดที่ไหนแล้วเชโกอัตมาถามอัตมาเป็นคนตอบที่ไหนเมื่อกี้ที่เขียนมาตะกียบปัญญาเชโกมันใช่ก็เมือโง่ออแต่จริงแล้วคนปากใต้เขาไม่ได้โง่ถึงอัตมาไม่เถียงคุณหรอก นะคุณจะบอกว่าคุณไม่โง้อธรรมาก็ไม่เทียงให้คุณฉลาดเลยผมอาจจะงโง่แต่คุณปากใต้อ้าดพูดยังไงหล่อแหล่ประเดี๋ยวก็ว่ามผมฉลาดผมไม่โง้อคนใต้ไม่โง่อเอประเดี๋ยวก็พูดไปพูดม า, าผมงโง่อีกเอ้าโฮ้ยเอาใจยากจังเลยอะไรครับการอ้าวอ้าวตกลงตกลง อ, อ้าวอาตมาว่าอาตมาให้อยู่แล้วคุณจะเรียกร้องว่าทุกคนควรจะให้ความจริงใจนั้นมันก็เป็นของคนแต่ละคนคนที่เขามีความจริงใจแล้วก็ เ, เป็นคนจริตนิสยัยหรือเป็นพฤติกรรมของเขาแล้ววะเขาเป็นคนให้จริงใจอย่างที่อาตมาว่าอาตม า, าเป็นคนให้จริงใจนะเพราะจะมันจะผ่ามันจะแรงแต่ถึงกระนั้นก็ดาวก็ตามอาตมาว่าอาตมาไม่ได้โง่ ไม่ได้ยกตัวเองเหรอกอาตมาไม่โง้คืออะไรอาตมารู้ว่าอนุโลมปฏิโลมไม่ผ่าโดยตรงเฉนเฉือนเลี่ยงเลี่ยงบ้างอันที่เหตุปัจจัยคนแค่เฉนเฉือนถ้าผ่าเละไปเลยเมื่ อ, อไรก็ผ่าผ่าผาผ่าผาอาตมาว่าอาตมาตายนานแล้วแล้วไม่ได้อยู่แล้วก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นอาตมารู้จักอนุโลมปฏิโลมออย่างนี้คุณพูดอาตมาเข้าใจะก็ดีก็จริง แต่อาตมาไม่โง่จงที่ว่าอาตมาไม่รู้สิ่งแวดล้อมอาตมารู้สิ่งแวดล้อมอ๋อควรอนุโลมปฏิโลมขนาดนั้นขนาดนี้แม้คุณก็ยังทําแต่คุณไม่รู้ความจริงว่าคุณก็ยังทําสิ่งนี้ด้วยสามัญสํานึกของคุณหรือด้วยปัญญาของคุณคุก็ทําเพราะฉะนั้นคุณพูดมาโดยที่คุณไม่รู้ว่าความจริงจริงๆมันแค่ไหนจะให้พาพาไปถึงไหนก็พาหมดเลยพาความจริงความจริงอย่างเดียวเลยไม่อนุโลมแล้พาพาแรงๆเป็ดๆร้อนๆเป็ดๆร้อน บ้าเลยอ้าวคุณจะบ้าเข้าบ้าไปอาตมาไม่เอาด้วยไม่ใช่เพราอท่านนี่เราผ่าแล้วพ่าความจริงแล้วนะฟังให้เข้าใจนะใช่ไหมอาตมาพูดถูกหรือพูดผิดออ้าวโดนแล้วไม่เพราท่านอยพิ่งอาตมามีพวกไม่เพรา่เพท่านเพิ่มาก่าเพราท่านอย่าเพิ่งอย่างนี้เดี๋ยวคนใต้เขาไม่กล้ากล้าไปเอ้ยในคนใต้เนี่นั่งอยู่นี่พัวพันยอะแยะไม่ที่จะเข้ามาใหม่เขาจะไม่กล้าถ้าพราท่านปล่อยให้เขาหน่อยเดี๋ยวเขาเข้ามา อะไรปล่อยไม่หมายถึงว่าอย่าพิ่งไปไปพรตีปลาหน้าใสให้มันแรงเกินไปเดี๋ยวคนปลอดได้เพราะไม่กล้าเข้ามาพอเดี๋ยวก็หลงว่าจะไปปีนแต่ป่าหน้าใสพอเดี๋ยวก็บอกให้พาพาพาโอ้ยกใสมาทุบเลยถ้าพาเนี่ยนะเจริญก็บอกอย่าพึ่งให้ตีปลาหน้าใสก่อนเอายังไงกันแน่จะให้พาหรือจะให้ตีปลาหน้าใส คุณรู้ภาษาที่คุณพูดไหมล่ะที่ผมพูด่ะเพราะท่านพูดชัดเจนแล้วที่คนภากใต้ชอบแล้วแต่ทีนี้คุณพูดเวลาคนปากใต้จะเข้ามาหาพ่อท่านนะฮะหรือเข้ามาหาสมณะเราอย่าอย่าเพิ่งผ่าอย่างนั้นแรงแรงแต่พูดให้ตรงให้จริงจริงแล้วก็บอกให้อัตมาผ่าเลย้ยผมอาจจะผมอาจจะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมอาจจะเมาหมายผิดไปขอไปพ่อท่านกันผมแค่นี้เมใช่ไหม เม า, าแล้พูดหลบไปหลบมาครับนมันการพวกท่านนะ <S <S คืออ่าผมเป็นคนเขียนเองไฮะในที่นี้ทีนี้เอาเป็นว่าผมโง่เองก็ได้ครับไม่ต้องใช่คนใต้นะฮะ<อ>คือ อ, อันนี้เป็นความรู้สึกของคนใต้จริงๆถ้าที่วิเคราะห์อ่าผมว่าคนใต้เนี่ยหลงตัวเองอันนี้อันนี้ถ้าพูดเนี่ยผมก็ไม่โจมตีใครว่าตัวเองนี่แหละเพราะว่าเราหลงตัวเองว่าเราฉลาดโราเก่ง ก็จะมาพูดชัดชาล้วก็สรุปให้ันนี่ทีนี้ก็คือเดี๋ยวพี่ไม้ร่มเคจะไม่สบายใจเอาเป็นว่าผมว่าตัวเองกัแล้วกันนะครับถ้าผมไม่ได้ว่าคนใต้แล้วเปล่าไม่ร่มเนี่ยเขาเองเขายังหลงบัญญัติจริงๆใจเขารู้แล้วเขาก็รู้เขาอยู่ก็ธรรมามันไดสิบปีเนี่ยไม่ไปไหนสุดท้ายก็คงจะต้องทําศพเขานี่แหละถ้าอาจจะมาถ้าเขาตายก่อนนะเขาอยู่เขาไม่ไปไหนหรอกนะเขารู้แล้วเขารู้แต่เขา ติดบัญญตัติลงบัญญัติเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เขาก็เลยเป็นนักเขียนชอบโชว์บัญญตัติแต่บัญญัติมันเพี้ยนๆอยู่อ่าเอาเขาลงบัญญัตินะอ่าอย่างเช่นเขาจะตบอกเสื้อเขาก็จะเขียนเอาไว้อ่าตอนนี้เขาเขียนอะไรอะข้างหลังอะไรนะฮะเออทวงเจริญอะไรเงี้ยเขาก็จิตใจชอบใจในบัญญัติพวกเนี้ยเสร็จแล้วก็ไปลงบัญญัตินะมันก็ไม่เครจะตรงพยันพยัญชนะกับ ปัญามันไม่ค่อยตรงกันมันไม่ลงที่จริงในอาตมาฟังออกว่าเขาเองเนี่ยเขาเอาบัญญัติมาเล่นไปมันเลยกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอย่างที่อาตมาช่วงเท่านั้นเองแต่จริงๆนเนี่ยขาเขาได้สัจจะอยู่ในตัวเขาเองถ้าไม่งั้นเขาอยู่ไม่ทนนกึกอาตมาขนาดนี้หลอกกลับนร่卡尔ประทา น, ทานครับเอ่อพอเท่าเอาว่าไปไปก่อนกลับนรส卡尔ประทานครับคือ ความจริงผมในมุมของผมนี่ผมมองว่าคนใต้ในมีความจริงใจแต่ก็เกลียดในการที่จะถูกกดขี่ก่อมเหงืห่อแล้วระเรียบหรือใช้วิธีการที่มันไม่ไม่ใช้ความจริงใจหรือลักษณะที่ใช้ใช้พวกเล่เหลี่ยมชั้นเชิงในการที่จะทํากิจกรรมร่วมกันแล้วอาลละระเบียบเล็กเล็กน้อยน้อยนี่มันทําให้เกิดการรวมตัวได้ยากครับ ถ้าเรายอมทุ่มเทตรงนั้นยอมปล่อยตรงนั้นการลงตัวจะดีขึ้น อ, อสรุปได้ตอบได้ถูกต้องนะดีจริงๆแล้วคนเราเนี่ยนะอย่าไปติดยิดแลยอมคำว่ายอมคำนี้ลึกซึ้งนะคือเราไม่ต้องไปแข่งดีแข่งเด่นแข่งถูกแข่งผิดอะไรหรอกอเขาเจะแสดงออกมา แสดงกายกรรมแสดงวิจีกรรมแสดงอะไรออกมาก็ให้ก็แสดงยอมฟังเขามันจะขัดหูมันจะพูดผิดมันจะพูดมาว่าเราจะกระแทกกระทุ่งเราอะไรก็แล้วแต่ก็ขัดขัดใจของเราว่าเออยอมฟังเอาสาระเมื่อได้สาระแล้วถ้าเรายังมีกิเลสมันไม่ชอบใจมันก็จะแรงมันก็จะดันมันอยากจะตอบโต้อยากจะ อ, อะไรอไรก็หัดระวังสํารวม สัมรวมสั้งวร์ที่มันแหมจิตเรามันจะดันมันจะหยอกตอบโต้มันอยากแรงเมยัง น, นี่หัดลดๆๆๆลดลดดันลดดิกรีของความจะแรงออกมานะจ๊ะน่ะให้เบาๆลงแล้วก็ค่อยๆผูกค่อยๆจ่ายังเปการฝึกตนอย่างดีนะการยอมนี่นะมันไม่ใช่ภาษาที่พูดก็ง่ายแต่ทําไม่ง่ายยอมเนี่ย แต่เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่จริงเป็นเรื่องที่ถ้าใครทำได้แล้ววิเศษทั้งตัวเองและสังคมวิเศษทั้งตนเองและสังคมคุณเห็นอาตมาเขาว่าอาตมาเขาด่าอาตมาไหมเห็นไหมได้ยินไหมอา่าตลอดเวลาทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่เรื่อยหลายอันอาตมาไม่อ่านออก อากาศเพราะมันด่าหยาบไปก็ละเวน้นอพออ่านได้ก็อ่านสู่ฟังอย่างที่เป็นนะเย็นอาตมาก็ยอมให้เขาด่าอย่างที่เห็นอาตมาไม่ได้เสแสร้งหรากทำจริงใจทำได้ความเป็นจริงที่ว่าเ อ, อใจอาตมาไม่ได้โกรธได้แค่ได้เครืองไม่ได้อยากเป็นด่าเขาตอบไม่ได้อะไรอะไรหรอกแต่ก็มีลีลาที่จะพูด ให้มีโบหานใหมีอะไรจะอะไรสะกิดใจเขาอ่าเตือนเขาบ้างอยู่บ้างเท่านั้นเองซึ่งเป็นศิลปะเป็นวิธีการอย่างหนึง่งที่ใช้วิธีการเพื่อเพื่อสอนเขาเพื่อให้เขาสะดุดเพื่อให้เขารู้ตัวเพื่อให้เขาเข้าใจว่าอันนี้ถูกติงนะเป็นการติงเขาในทีบ้างจะเห็นได้ที่อาตมาใช้อยู่ทําอยู่ แต่ด้วยใจไม่ได้อย่างจะไปว่าอะไรเขาอย่างจะไปอะไรเขาหรอกแต่ก็ที่ทํานั่นเป็นเชิงติงนั่นก็คือเมตตานาคือใช้ความเมตตามันเป็นอาการเมตตาจริงๆนะเทตามาอธิบายอะไรจากตัวเองเป็นจริงตนเองนี่ไม่ได้อวดตัวอวดตนแต่เป็นสิ่งที่เอาความจริงนั้นมาอธิบายประกอบสู่ฟังเพราะคุณคบพาเาตมาคุณได้รับอยู่ว่า อาตมามีพฤติกรรมอย่างไรแสดงอย่างไรคุณก็มีเหตุปัจจัยนั้นๆอยู่มีหลักฐานอยู่พออาตมาอธิบายพวกนี้ไปมันก็จะเข้าใจเห็นจริงแล้วก็จะเข้าใจความจริงโดยอาตมาขยายความอธิบายสิ่งที่อาตมาเคยทําเคยเป็น่ะมันจะเข้าใจได้ว่าเออมันจริงอย่างที่อาตมาพูดไหมหรือว่าอาตมาพูดไม่ไปตรงกับที่อาตมาเป็นจริงนี่ว่าคุณก็จะได้รู้เนี่ย แต่ถ้าว่าเออเป็นจริงอ๋อเป็นอย่างนี้เองเหรออย่างนี้ๆคุณจะได้เข้าใจนะที่อาจยมาพูดี่ไม่ใช่ว่าอวดตัวอวดตนโชว์ตัวโชว์ตอนอะไรนะอะนการพ่อท่านครับออทีจริงชาวใต้เราก็เวลาปกติเวลาไม่มีอารมณ์โกรธอะไรจ ะ, จะน่ารักน่าเคารพมากครับเหมือนทะเลเวลาไม่มีคลื่นจะสวย ง, งามมากนะ แต่เวลาคลื่นมามันน่ากลัวจังอ้าวคลื่นก็สวยนะ <laughs> คลื่นก็สวยอย่างหนึ่งไม่มีคลื่นก็สวยอย่างหนึ่งอ่ามันเป็นสมมุติอ่าอย่างพวกเรานี่ก็สวยอ่าพวกเรานี่สวยอ่าไปดูที่พวกพิษ ต, ตรงพิตตี้เขาเขาก็สวยของเขาอ่าเอาจริงมันก็สมมุติยงแคลงมันอ่าและพิษตี้เนี่ยเขาได้ราคานะสวยของเขาได้ราคานะ พวกคุณนี่สวยไม่ได้ราคานะขายไม่ออกนะอะอ่ะอ้าไม่ได้ราคาจะได้คา่าอะอ่าได้ค่าอ่าไม่ได้ราคาจะ <academy S 1> <c ười> ได้คา่ <c ười> าอ่าเป็นค่าที่เป็นอ่ะเป็นคุณอ่ะเป็นค่าที่ดีอ้าวตอนนี้ตอบแห้งอีกอ่ะอีกไม่กี่นาทีอ่ะเดี๋ยวขอตอบแห้งสองอ่ะ ชนชั้นปัญญาชนในงเงือเล็บนักกฎหมายสารปกครองระยองไปออกออกไประบุอย่างนั้นเลยเถอะชนชั้นปัญญาชนเคยมาสันติอโศกเขาวิจารณ์ว่านะไปสันติอโศกแล้วไม่รู้จะเข้าไปยังไงจะถามใครจะคุยกับใครดูเขายุ่ ง, งเงือเล็บไม่ว่างกันไปหมดไม่มีช่องทางให้ให้นามให้พี่เหรือให้พี่ ให้พี่เข้าไปเลยไ ม, ไม่มีช่องเข้าไปเลยเหอย่งจ ะ, จะว่าความเห็นจากที่คุณพูดมานี้ว่ามันเป็นอย่างไรก็จริงก็จริงอยู่มีความจริงอยู่เพราะเรานี่ยงเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ยังเข อ, อยังชั่วนะมีปฏิสันฐานแต่ก่อนนี้เนี่ยไร้ปฏิสันฐานเลยตัวใครตัวมันเฉย ถ้าใครครบหามาตั้งแต่ต้นๆ้นไม้โบราณทำไม้ก่อนๆ อ, อโศกเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ยังมีปฏิสันพานอย่างไรดีอยู่แล้วก็ได้ศึกษาฝึกฝนอยู่ว่าเขาจะมีปฏิสันพานมีกรจิกกระใจอย่างที่ว่านี่น่ะโอ ป, าปา้าภาษาไทยถามบ้างอะไรนู้นนี้เลยมีช่องทางที่จะเชื่อมโยงคนใหม่เข้าไปเขาก็เกรงใจเขาก็ไม่กล้าไม่กล้าที่จะถามบางทีนี่ยิ่งท่าทียิ่งไหมเต็มไปได้วยงานเต็ไมไปด้วยเขาเขายิ่งไม่กล้าใหญ่ คนใหม่ๆนะนอกจากคนที่ไม่ค่อยเกรงใจใครเขาก็ถามเอาแต่ถ้าคนเกรงใจคนเขาค่อยไม่ค่อยกล้าถามก็จริงเห็นจริงอยู่ว่าพวกเราจะมีอันนี้นะเพราะงั้น ก, ก็แก้ไขพระพุทธเจ้าสันเสริญคนปฏิสันถา ن ก่อนท่านก็มีปกติปฏิสันถานก่อนอาตมานี่เป็นคนที่ไม่ไม่ดีตรงนี้เป็นจุดไม่ดีว่าอาตมาอาตมาพูดงงๆอาตมาเป็นคนไม่ค่อยปฏิสันถานก่อน เป็นคนไม่ต่อความยาวในเวลาที่ยี่คนแปลกหน้า้วยคนใหม่ๆไม่ต่อขอบอกความจริงในใจให้ฟังว่าอาตมาหนึ่งอาตมางานมากนี่เป็นเหมือนข้อแก้ตัวสองอาตมาไม่อยากเมื่อย ไม่อยากเมื่อยเพราะถ้าไปพูดมากๆยาวๆปฏิสันฐานมากอาตมา ก, ก็เวลาก็ไม่ค่อยมีแล้วก็ต้องพูดอะไรยาวๆมากๆกับเฉพาะบุคคลเฉพาะบุคคลเนี่ยมันยากสามอันนี้ก็เหมือนกับไปดูถูกคนอื่นเขาคนใหม่ๆเนี่ยพวกเราที่รับแขกแทนมีอยู่ไม่น้อยหรือ เรื่องต้นๆใหม่ๆง่ายๆให้ใครแต่ใครรัหน้าที่ต้อนรับเถอะปฏิสันทารเถอะอย่าให้อัตมาต้องไปเสียเวลาแล้วจะต้องไปต่อความยาวสาวความยืดเลยนะบางทีนี้บางคนเนี่โอ้โหถ้าต่อความยาวสาวความยืดไปเราก็จะตัดก็ไม่ดีอะไรเงี้ยเสียเวลาเสียแรงงานเสียอะไรไปเยอะนะนี่ก็จะพูดว่าแก้ตัวก็ได้ เนี่ยที่อาตมายกเหตุผลไปสองสาอย่างนี่อาจจะว่าแก้ตัวก็ได้แต่อาตมาก็รู้ว่าบกพร่องมันเป็นข้อบอกพร่องพระเจ้าจะจการปฏิสันท์ก่อนผู้ที่ปฏิสันทานก่อนถ้าอาตมาปฏิสันทานก่อนอาตมาจะมีมวลมากกว่านี้แต่มวลนั่นก็จะมีเยอะคละเคล้ามาทั้งคนต้นคนกลางคนปลาย เพราะฉะนั้นอาตมาก็จะเป็นวิธีการจะเป็นข้อที่สี่ก็ได้คือเป็นการคัดเลือกบุคคลเมื่อกี้สามข้อนี่ข้อนี้ข้อที่สี่เป็นการคัดเลือกบุคคลต้องผู้ที่อดทนมีปัญญาแล้วก็ไม่ขี้ถือตัวถ้าคนที่มีการขี้ถือตัวแม่มันเห็นเราไม่มีค่าได้ยังไงไม่พูดกับเราไม่แลเราไม่เปิดช่องให้เราพูดคุย ตาอย่างหนึ่งเหมือนกันรแล้วก็เป็นการคัดคนที่มีใจอดทนมีโอกาสอ่อนน้อมถ่อมตนไม่เต็มไปด้วยอัตตาเข้ามาด้วยนนี่ก็เป็นเหตุผลที่อาตมาไม่ส่วนพวกเรานะช่วยอาตมาหน่อยเถอะอย่าประทำอย่างอาตมานะทำอย่างอาตมามันมันไม่ถูกสภาวะมันไม่ถูกไม่ถูกส่วนควรมันไม่ถูกความควรของตนเอง เขาช่วยกั น, นเขาเขาโอกาสเพราะท่านกับเวลากล้จะหมดแล้วผมผมจะมีคําถามพ่อสักข้อหนึ่งอพอตั้งแต่เริ่มต้นมาพ่อท่านก็จะบอกว่าเอา่อไอเรื่องปรมัติธรรมเนี่ยจะต้องจะต้องเรียนรู้จิตเจตสิกรูปนิพพานซึ่งเป็นเป็นเรื่องสุดยอดของพุทธแล้วก็จะต้องเรียนรู้เรื่องการทำ โยนิโสมะนสิการจะต้องทำใจในใจจะต้องเป็นเป็นกัปตันต้องเป็นผู้ผู้บังคับบัญชาจิตใจของตัวเองให้ได้ผมมีคำถามว่าพ่อท่านจะให้คาถาอะไรที่จะต้องเป็นตัวสติที่จะต้องรับรู้ทุกขณะจิตว่าอันนี้เข้ามาดีอันนี้เข้ามาไม่ดีไอ้ตรงนี้ครับสิ่งที่อยากจะได้ <ad ab S 2> แม้ถ้ามีก็แจกเลยนนเนี่ยไอสิ่งที่อยากได้เนี่ยแจกเลยเอของดีนั่นนหะที่พูดน่ยของดีคนเราจะมีสติรู้อะไรไม่ตกหลน่นเข้าใจอะไรจะอะไรได้เร็เวได้ไวเนี่ยมันได้ด้วยมามาด้วยการศึกษาฝึกฝนอบรมมันจะมีคาถาอะไรไปให้ ก็ไอ้ที่บรรยายไปทั้งหมดนั่นแหละก็ศึกษาฝึกฝนอบรมแล้วเอาไปปฏิบัติตนเองก็จะจะเร็วคุณจะให้สติมันเร็วขึ้นจใจปัญญามันแววไวขึ้นมันต้องฝึกเอาทั้งนั้นเลยไม่มีคาถาให้นะไม่มีคาถาหรอกนะคาถาก็คือคําอธิบายนี่แหละขณะนีะ้กำลังพูดคาถาอยู่แล้วว่าคกจะต้องเรียนรู้ไปตามลําดับฝึกฝนไปมีสติมีธรรมวิจัยมีวิริยะ เป็นโพชฌงค์หลักโพชฌงค์สามนี่หรือขยายเป็นโพธิปักเพียรรสามสติปทาน 4, สี่สัมปปทานสี่อิทธิบาทสี่นี่เป็นหลักที่จะต้องปฏิบัติถ้าคุณไม่เข้าใจสามอย่างนี้ปฏิบัติสามอย่างนี้ไม่ได้ต่อให้คุณรู้มรรคองแปดเก่งขนาดไหนคุณก็ไม่เดินเพราะสามอย่างนี้โพชฌง ค, ค์คือการก้าวเดินคือขาคือการก้าวเดินพระพุทธเจ้า อุบัติจึงเดินเจ็ดเก้าก็คือโพชฌงเจ็ดส่วนมากนั่นคือทางเดินคุณมีทางเดินที่ดีขนาดไหนถ้าคุณไม่มีขาเก้าเดินไม่มีการเก้าเดินไม่มีอะไรเกิดเลยไม่มีอะไรไปได้นี่คือหลักธรรมพระพุทธเจ้าโพชฌงกับมาร์กแปดเนี่ยสําคัญที่สุดต้องมีทั้งสองอย่างมีแต่มาร์กไม่มีโพชฌงมีโพชฌงไม่มีทางเดินหรือทางเดินผิดคุณก็เข้าป่าใช่ไหม มักมันมันเป็นสมามักคุณก็เดินเข้าป่าเพราะฉะันต้องมีทั้งสองอย่างนี่ถูกตรงโดยเฉพาะพจน์ชงคุณต้องรู้มีสติเป็นตัวนําเป็นตัวสําคัญเลยเป็นสติเป็นอธิปไตยปัญญาเป็นอุตระเป็อธิปไตยยิ่งใหญ่อธิปไตยมีอำนาจสติเนี่ยเป็นยิ่งใหญ่อำนาจเขาแปลเป็นไทยว่ามีสติเป็นใหญ่มีปัญญาเป็นยิ่ง ก็แปลอธิปไตยว่าใหญ่แปลแ ป, ลแปลอุตระว่ายิ่งในในพระเถพิฎกในปุรู้ทันแปลแตบาลีก็คือมีสติเป็นอธิปไตย ม, มีปัญญาเป็นอุตระก็แปลว่าใหญ่ว่ายิ่งต้องมีสติสติคืออะไรนี่ต้องเรียนรู้แล้วต้องฝึกให้เป็นผู้ใช้สติมีสตินำเสมอและคุณอยากได้มันเร็วที่ว่านั่ น, น, นแหละมันต้อง ศึกษาฝึกฝนอบรมให้มันเกิดจริงเป็นจริงมันจะมีได้โดยการฝึกฝนอบรมศึกษาแล้วก็กระทำปฏิบัติไม่มีคาถาอื่นหรอกนี่คือกำลังสาธยายคาถาให้ฟังเอาไปใช้ให้ได้อ้าวใบสุดท้ายมรนบัรใบสุดท้ายประเด็นสุดท้ายเวลาสุดท้ายเพราะมันเลยเวลาก็ไปไม่เลยหรอกที่จริงมันเริ่มเลยไปนหน่อยนึง่ะก็คงพอดีอาตมาอธิบายก็คงพอดีเวลา ที่มักจะพูดกันว่าคนใต้ไม่ค่อยเชื่อใครง่ายๆฉลาดและเป็นพวกหัวหมอแต่ปรากฏว่าคนใต้กลับเลือกสอสอจากพักหนึ่งให้เป็นตัวแทนของตนเกือบทุกจังหวัดทั้งๆที่รู้ว่าสอสอหลายคนก็ไม่ใช่คนดีสักเท่าไหร่เช่นเป็นผู้มีอิทธิพลประกอบอาชีพบางอย่างที่ผิดกฎหมายโอยานใหญ่ อย่างนี้จะถือว่าคนใต้เป็นคนอย่างไรกันแน่ขอให้ครูครูแสดงความเห็นด้วยครับถ้าโจทย์ที่ว่ามานี้นี่ว่าตามเนื้อโจทย์แล้วว่าที่เลือกคนใต้ไปเป็นสสของพักหนึ่งเป็นตัวแทนไปเกือบทุกจังหวัดเนี่ยบอกเกือบทุกจังหวัดเลยนะสสหลายคนก็ไม่ดีสักเท่าไหร่เป็นผู้มีอิทธิพลประกอบอาชีพจารอย่างผิดๆแต่ก็ เลือกเพราะเป็นคนใต้จริงๆก็คนใต้ก็ลงแข่งกันอะไรก็เลือกคนใต้อะไรเนาะแต่ก็เลือกคนใต้ที่เราชอบคนไม่ใต้มาแน่นอนคืณก็ไม่ค่อยเลือกอยู่แล้วเพราะว่าชอบคนพวกพวกชาตินิยมพอสมควรทีนี้ถามว่าการทำแบบนี้น่ะ จะเป็นคนอย่างไรใต้เป็นคนอย่างไรลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะจะว่ากันจริงๆแล้วมันก็ทุกภาคแหล ะ, ะทุกภาคคนที่เราพอรู้จักสนิทสนมแล้วก็เอาก่อนอะจะผิดจะถูกยังไงเอาก่อนดีไม่ดีถ้าจรงเป็นคนในครอบครัวแม้จะผิดก็เอาแน่ไอ้ความลำเอียงเพื่อที่จะเห็นแก่ตัวกูพวกกู หมู่กูเนี่ยเป็นความลำเอียงที่แก้ไขยากนะพูดก็พูดเถอะแม้แต่ชาวโศกนี่ก็ต้องเห็นแก่ชาวโศกเองอยู่เหมือนกันใช่ไหมเอาก่อนอาชาวโศกก่อนให้ชาวโศ ก, ก่อนมันเป็นเรื่องที่ลึกเป็นเรื่องที่ลึกมากแต่ที่ถามประเด็นนี้ดีชาวโศกจะเข้าข้างชาวโศกก่อนนี่อาตมาว่าไม่ผิดหรอกเพราะว่าชาวโศกได้เลือกหมู่แล้ว หมู่นี้เป็นหมู่คนดีเพราะนั้นเลือกคนดีก่อนไม่ผิดใช่ไหมแต่ทีนี้คุณถามมานี่คุณก็ต้องพิจารณาว่าเมื่อมันไม่เป็นหมู่ที่แน่นอนคุณก็พูดมาเองว่าไม่ดีสักเท่าไหร่มีแต่คนทีาทำผิดกฎหมายด้วยคุณจะไปเลือกทําไมนั่นแหละประเด็นต้องทําเอาให้สําคัญศึกษาให้สำคัญว่าคนนี้ควรเลือกหรือไม่เลือกต้องใช้ปัญญาอย่าไปเห็นแก่พรรคแก่พวกต้องใช้ปัญญา ถ้าทำอย่างนี้ได้นะทั้งสังคมหมดเลยในโอโฮประชาธิปไตยจะสวยงามมากเลยเพราะไม่เห็นแก่พวกไม่เห็นแก่คนของเราแต่เห็นแก่สัจจะคนนี้ควรคนนี้ไม่ควรคนนี้เหมาะสมคนนี้ดีคนนี้ดีนนดนนดดกว่าคนนี้ไม่ผิดกฎหมายไม่อะไ ร, ต, ะไรต่างๆนะนะไม่คือเป็นคนดีอ่สรุปง่ายๆคําคว่าดีนดีกว่าประเสริฐกว่ า, ก, วาก็เลือกอนนั้นต์นะ อย่าไปเห็นแก่ภาคแก่ผู้จมูอย่าว่าแต่คนภาคเดียวกันเลยแม้แต่ในครอบครัวเดียวกันเราก็จะไม่ไม่เอาไม่เอาเห็นแก่ครอบแม้แต่ครอบครัวอย่างนี้เป็นต้นอ่าอตมาบอกแล้วนะว่าแม้อโศกก็เอาเข้าข้างคนก่อนนั่นเป็นเรื่องของสัญชาตญาณง่ายๆแต่ทีนี้เข้าข้างอโศกเองมันเป็นไรเพราะว่าอโศกึคัดคนเพราะเห็นฆ่าเห็นแก่มู่คนที่มันมู่ส่วนใหญ่มันดีอยู่แล้วเพราะเห็นแก่ก่อนมันก็ไม่ผิดแต่ ถ้าเป็นกลุ่มคณะที่รู้แล้วโอโหคณะนี้ทั้งคณะมันก็ไม่ได้เรื่องเป็นเลือกทําไมนะหรื อ, อยิ่งบุคคลก็ดูแล้วบุคคลที่แย่ๆมากอยู่นะหรื อ, อยิ่งตัวบุคคลเลยเรายิ่งรู้ชัดเลยว่าคนนี้ไม่ควรเลือกเอามาแล้วมาแล้วค่ อ, อยชั่วหน่อยโอ้เสียงเหมือนกับฟ้าลงเหมือนกัฟ้าลงเลย ตอนนี้ก็ฝนตกแฉะอยู่แต่ยังไม่มีฟ้าร้องฟ้าผ่าอะไรเนาะแต่มันจะไม่มันมีกระแสไฟฟ้ามีอะไรต่อไหมันรุนแรงไงมันเป็นยังไงนะเอาเอาล่ะมันก็เป็นได้นะมันก็มีอะไรบ้างเราหลัวซึมๆอะไรนิดหน่อยเอาละอัตมาใช้เวลามาตอนนี้แทนที่จะเหลือเวลาหน่อยไม่เพราะว่าเราเลยเวลาเข้ามาตอนนี้เรากําลังจะเลยเวลาเข้าไป <laughs> เข้าเลยเวลาเรามาตอนนี้เรากำลังจะเลยเวลาเข้าไปนะเก็ไม่สรุปนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังจะมีอีกก็มีอีกกันหนึ่งที่จะเทศอ่าที่จะบรรยายนะพรุ่งนี้สําหรับพรุ่งนี้นะ เ, เป็นสุดท้ายอาออ่่ามีประเด็นปัญหาสุดท้ายมาตบท้ายอีกว่าจะอยู่ภาคไหน จะอยู่ภาคไหนมันคงมีภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานเนาะจะอยู่ภาคไหนเมื่อมีหมู่ฝูงที่ดีรีบพลีชีพลุยจะอยู่ภาคไหนก็เป็นปัญหาได้ไม่น่าเป็นปัญหาคุณสะดวกอย่างไรก็เอาสีอ่ามันก็ถามใจตนเองมาสะดวกอย่างไรปราสนาอย่างไรประสงค์อย่างไ ร, ร, งงไรก็เลือกเอา ตอบอย่างนั้นก็เพราะว่าอโศกเป็นพี่เป็นน้องกันหมดเลยมันมาอยู่ภาคในอ่าจะ่ไมเพราะงั้นคุณก็ดูเอาเหมาะสมว่าคุณเองคุณอ่าจะเอาสะดวกอย่างไรล่ะบางทีมันสะดวกนั่นอยู่ใกล้แต่มันไม่เหมาะใจมันก็ไปเอาไกลแล้ว่าคนเราอ่าอนุเหมาะเหมาะใจกว่ามันมันอยู่ไกลก็ยังเอาอ่าแต่อยู่ใกล้เนี่ยไม่เหมาะใจมันก็ไปอย่างก็แล้วแต่ใครต่อใครแต่จริงๆแล้วก็เอา อยู่ใกล้ก่อนก็ก็ถูกไม่ต้องไปเสียแรงเสียเวลาเสียอะไรที่จะต้องไปศูญเสียเปล่ามันอยู่ใกล้ก็ดีแล้วก็ปลูกยกภาคไหนอ้าวภาคใต้ก็เอาใต้ก่อนนะก็พยายามรวมตัวกันภาคใตน้นีแหละอเมื่อมีหมู่ที่ดีรีบพลีชีพลุยอ้าวใต้ก็เอาใต้ก่อนมารวมตัวกันให้ได้เถอะนี่โอ้โหชะเลขวันนี่หืงอบุญแน่นหนาเลย ทะเลทมก็โอ้โหอปุ่นโอ้โหมันหลายชื่อแล้วนะธรรมชาติอโศกออะไรอโศกเองอะควนทอแล้วก็เนี่ยทะเลทำขัญอนทะเลขวัญอะไรทีนั่นอีกธรรมราษนะเขาเอาคืนไปแล้วคืนที่ไปแล้วธรรมธรรมราชอโศกนั่นนะพิงการอโศกมั่งอะไรมั่งน่ะ เออเอาแค่นี้ก็ให้มันได้ก่อนรวมกันให้อบอุน่นให้มากพอนะรวมตัวก็ไม่ค่อยติดจริงๆใต้นี่นะต่างคนต่างเนี่ยก็พูดกันมามากแล้วนะเพราะันพูดก็คิดว่าไม่ต้องพูดอีกแล้วทำอย่างเดียวกันแล้ว ก, การทำให้มันได้อา้าจบเอวังพรุ่งนี้มีทำวัดเช้านะจะมีผู้ทำวัดเชา้านะ เสร็จแล้วอาตมา9โมงถึง11ก็เป็นเวลาของอัตมารายการวิถีอริยธรรมอาตมาก็จะแสดงวิถีอริยธรรมเป็นการสุดท้ายสำหรับพรุงนี้